ให้ดูแก้หนังสือพาหิยะสูตรอย่างในหน้า127นะหน้า127นับลง1 2 3 4นับลงบรรทัดที่4ที่แปลว่าเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นสักว่าตรงนั้นนะแปลว่าเขียนหมายว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นน ะ, นะเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็น เมื่อฟังจักเป็นประมาณว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นประมาณว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นประมาณว่ารู้แจ้งสักว่านี่ไม่ดีเถ้าใครเอาไปปฏิบัติตามอะไรก็สักแต่ว่าหมดเบื่อร้อนแน่ในหน้าหนึ่งร้สี่บเห็นไหมบทว่ามัตตาแปลว่าประมาณเราต้องแปลว่าประมาณถ้าแปลว่าสักว่าจะอธิบายลำบาก คืออ้างหลักฐานให้รู้ว่าแปลว่าศักว์ว่านี่แปลไม่ถูกให้แปลว่าประมาณไม่ต้องแก้เชินพานให้ให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างเชิญพานในหน้าหนึ่ง้ห้าสินี้ตกไปคำหนึ่งนะนับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับลงหบรรทัดนะหน้าหนึ่ง้ห้าเธอจะเป็นผู้กำหนดในเอ่อ เธอจักเป็นผู้กำหนัดเพราะราคะนั้นเนี่ยตกไปคำหนึ่งคือเธอจักเป็นผู้ไม่กำหนัดเป็นผู้ไม่กำหนัดนะมันหายไปคำหนึ่งเธอจักเป็นผู้ไม่กำหนัดเพราะราคะนั้นไม่ขัดเคืองเพราะโทสะนั้นไม่ลุ่มหลงเพราะโมหานั้นอันนี้ต้องแต่เพิ่มอันเดียวก็ได้นะไม่กำหนัดเพราะราคะขัดเคืองเพราะโทสะก็คือไม่ปฏิเสธตัวหนึ่งก็ใช้ได้ละ เพราะในนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นกำหนัดไปเลยใช่ไหมแต่นี่มันปาลีเขาบอกว่าณพวิสติเนี่ยเนื้อหาปฏิเสธไม่ใช่เนื้อหาคล้อยตามข้อความในคุตการนิกายอุทานพระสุตันตปิฎก24มาขึ้นพาหิยะสูตรสูตรนี้เป็นสูตรที่เขาอ้างมาก ถือว่าเป็นสูตรที่เป็นข้อปฏิบัติคื อ, อบุคคลนี้ศรัทธาสูตรนี้เพราะว่าเขาฟังปั๊บบรลุเลยนะก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้างแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับมาดูต้นต่อต้นเหตุเดิมว่าพระผู้มีพระภาคแสดงไว้อย่างไรอัตถกถาอธิบายไว้อย่างไรข้อความในพาหิยะสูตรข้อ47ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้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 ได้บินธบาศเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารนก็สรุปว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีลาภสการะมากครั้งนั้นแลพาหิยะธารุจิรยะลีเกรนอยู่ในที่ลับเกิดความปริวิตตกแห่งใจอย่างนี้ว่าเราเป็นคนหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์หรือผู้ถึงอรหัตตมักในโลกลำดับนั้นเทวดาผู้เป็นสายโลหิต ในการก่อนของพาหิยะธารุจิรยะเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์ได้ทราบความปริวิตตกแห่งใจของพาหิยะทารุจิรยะด้วยใจแล้วเข้าไปหาพาหิยะทารุจิรยะครั้นแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนพาหิยะท่านไม่เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นผู้ถึงอรหั ต, ตมรักอย่างแน่นอนท่านไม่มีปฏิปทาเครื่องให้เป็นพระอรหันต์หรือเครื่อง เป็นผู้ถึงอรหัตมักพาหิยะธารุจิรยะถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอรหัตมักในโลกกับเทวโลกเทวดาตอบว่าดูก่อนพาหิยะในชนบททางเหนือมีพระนครชื่อว่าสาวัตถีบัดนี้พระผู้มีพระภาคอารหันตตะสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่พระนครนั้น ดูก่อนพาหยะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนทั้งทรงแสดงธรรมะเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยลำดับนั้นแลพาหยะทารุจิริยะผู้อันเทวดานั้นให้สลดใจแล้วหลีบไปจากท่าสุปารกะในทันใดนั้นเองได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในพระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี โดยการพักแรมสิ้นราตรีหนึ่งในที่ทั้งปวงแสดงว่าเดินทางไกลามากน่นนะ่ะแถวกาลกาต้านะั่นแหละมาะกาลกาตานี้ใกล้ใกล้ทะเลหใกล้ทะเลเนี่ยนะก็เดินทางจากทะเลเนี่ยมาสาวัตถีระยะทางร้อยยี่120โยศรก็คูณร่วม20กิโลเนี่ยนะคูณ16กิโลก็แล้วกัน120คูณ16กิโลกีล่ร้อยกี่อกิโลดีก็พันกว่ากิโลนะ เกือบ 2,000 กิโลนั่นแหละจากก็จากทะเลเนี่ยนะไปถึงเมืองสาวัตถีก็ไม่ใช่ใกล้เท่าไหร่โดยเฉพาะทางเท้าโบราณด้วยนะเดินคดไปคดมาเนี่ยนะทางตรางูอะ่ะก็เดินคดไปคดมาคดมาคดไปไม่มีตัดตรงแบบสมัยใหม่แล้วก็ถือว่าไกลามากมาดูศึกษาประวัติของท่านพาหิยะก่อนนะตามอัตกรถาในหน้า129 ถ้ามีคำถามว่าก็พาหิยะเนี่ยคือใครและอย่างไรจึงเป็นผู้ทรงผ้าคากรองทำด้วยไมย้อย่างไรจึงอยู่อาศัยที่ท่าสุ ป, ปรารกะนั่นสามคำถามอ่ะนะในข้อนั้นมีอนุปุพภิกถาเรื่องราวโดยลำดับดังต่อไปนี้อันนี้ย้อนไม่ใช่ย้อนใกล้ๆนะย้อนแสนกลับเลยในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาปทุมุตระ ในที่สุดแสนกับแต่พัทธกับนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ที่ทรงพระนามว่าปทุมุตระเนื่องจากว่าพระองค์เหยียบแต่ละอานะ่าไก้าวเท้าแต่ละเท้าเนี่ยจะมีดอกบัวผุดมารับหมดเลยแล้วละองบัวก็ฟุง้งคลุ้งไปหมดเลยเขาเรียกว่าปทุมุตระเนี่ยนะก็ความที่ทุกๆุกก้าวของพระองค์เนี่ยเหยียบดอกบัวหมดเลย เรื่องเมื่อแสนกับที่แล้วนะถอยหลังจากกับนี้ไปกุลบุตรคนหนึ่งกำลังฟังพระธรรมเทศนาของพระทศพลที่เมืองหังสาวดีเห็นพระาศาสดาทรงสถาปนาแต่งตั้งพิกษุรูปหนึ่งเอาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะคือเลิศกว่าพิสูุทั้งหลายผู้เป็นขิปปาพิญญาเป็นพิสูุผู้เลิศในการตรัสรู้เร็วที่สุดนเนี่ยนะพอได้ฟังอย่างนี้ก็คิดว่าฉไหนเนในอนาคต เราจะบวชในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นปานี้แล้วพึงเป็นผู้อันพระศาสดาสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตะทะคะเช่นนี้เหมือนภิกษุรูปนี้ฟังแล้วก็มีศรัทธานะฟังว่าเข้าบรรลุเร็วเหลือเกินปรารถนาที่จะเป็นผู้เลิศในทางบรรลุเร็วก็ได้ปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงบำเพ็ญบุญญาที่การอันสมควรแก่ตาแหน่งนั้นแล้วก็บาเพ็ญบุญอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิต อันไอปรารถนาอะไรก็ปรารถนาไปเถอะแต่ที่สำคัญก็คือเหตุใช่ไหมเหตุว่าเพราะผู้ที่มีศรัทธาลักษณะนี้เนี่ยก็แสดงว่ามีกรรมมศกตาศรัทธาเชื่อเหตุผลว่าเหตุที่ได้บำเพ็ญเนี่ยนะคือทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อให้ถึงความเป็นผู้ตรัสรู้เร็วท่านก็เลยทำบุญอยู่ตลอดชีวิตชาตินั้นตายจากชาตินั้นนะ เนื่องจากว่ามีสรรณะด้วยมีศีลด้วยทำบุญให้ทานเยอะเบื้องหน้าแต่ตายไปก็มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าหลังจากนั้นท่านก็ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เรื่องราวก็ลัดเลยมากลับนี้เลยกับนี้มีพระพุทธเจ้ากี่องค์นะทั้งหมดทั้งกับเลยมีหองค์ผ่านไปแล้วอันนะั้นสามองค์ตอนนี้องค์ที่สี่เหลืออีกหนึ่งองค์ไงก็ถอยลังไปพระพุทธเจ้าองค์ก่อน คือพระนามว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านก็บวชในศาสนาของพระกัสสปะโทศพลโทศพล น, นี้แปลว่ามีกําลังสิบนะพระพุทธเจ้าผู้มีกําลังสิบพระนามว่ากัสสปะพอท่านบวชก็มีศีลบริบูรณ์บาเพ็ญสมณะธรรมคือสมถาวิปัสสนาถึงความสิ้นชีวิตแล้วไปบังเกิดในเทวโลกท่านอยู่ในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่งโอ้มีบุญมากไนหะ แสดงว่าชาติที่บวชนี้เจริญกุศลเต็มที่จึงสามด้วยผลแห่งบุญอนั้นทำให้อยู่ในสวรรค์ได้หนึ่งพุทธันดร อ, อยู่ในสวรรค์ได้เป็นหลายพันล้านปีเนี่ยในพุทธบตัตการนี้ถือปฏิสนที่ในเรือนมีสกุลในพาหิยรัตชนทั้งหลายจำเขาได้ว่าพาหิยะเพราะเกิดในพาหิรัฐเขาเจริญไวแล้วก็อยู่ครองเรือนเอาเรือบรรทุกสินค้ามากมายเล่นไปยังสมุทร กลับไปกลับมาสำเร็จความประสงค์7ครั้งจึงกลับนครของตนแสดงว่าเป็นพ่อค้าทางเรือไปค้าขายทางเรือนี่ประสบความสำเร็จมาแล้ว7ครั้งก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเดินทะเลนะไปทั้ง7รอบแล้วเนี่ยครั้งที่8คิดจะไปค้าขายที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมินี้ถ้ากล่าวแล้วตามตามคำพีก็บอกว่าห่างจากอินเดียเนี่ยห่างจากครชมพูทวีปเนี่ย ร้อยกว่ายดกหลายร้อยยเนี่ยเนะก็เชื่อกันว่าบางบางท่านก็หมายถือเออชื่อว่าแถวแถวเกาะสมาตรานะ่สุวรรณภูมิเพราะเป็นเกาะ น, นะบางท่านก็บอกว่าอยู่แถวประเทศไทยเรานี่แหละเหมือนกันท่านก็เลยคิดขนสินค้าเล่นเรือไปเรือก็เล่นเข้ามาหาสมุทรยังไม่ทันถึงที่ปรารถนาก็อับปางในถามกลางสมุทรเรือแตกเลย มหาชนนี้พากันเป็นผักษาของปลาและเต่าเรือแตกตายในทะเลนี้ถือเป็นเรื่องปกติจริงๆนะเนีมีมีมาทุกยุคทุกสมัยแม้แต่สมัยนี้ก็ยังไม่ได้วายอะไรเลยที่ที่ตายในท้องทะเลเนี่ยนะส่วนพาหยะเนี่ยความที่ท่านเป็นคนเกิดมาชาติสุดท้ายยังไม่ตายง่ายหรอกก็เลยเกาะกระดานแผ่นหนึ่งกำลังข้ามอยู่ถูกคลื่นซัดไปทีละน้อยทีละน้อย ในวันที่เจ็ก็ถึงฝั่งใกล้ท่าสุปปรกักขท่านก็นอนอยู่ที่ฝั่งสมุทรโดยรูปประกายเหมือนตอนเกิดกระไรเพราะผ้าเนี่พลัดไปในสมุทรหมดเห็นไหมบรรเทาความกวลกวายได้แต่เพียงลมหายใจตอนหลังก็ลุกขึ้นไปในระหว่างพุ่มไม้ด้วยความละอายไม่เห็นอะไรอะไรอย่างอื่นที่จะเป็นเครื่องปกปิดความละอายจึงหักก้านไม้รักเอาเปลือกพันกายทาเป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดเอาไว้ พอามาไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาแปลว่าไม้รักเนี่ยมันมันใช่ได้หรือเปล่าอะไรมันจะคันเท่าไม้รักอีกแล้วเลยไม้รักนี่มันไม้คันมากมเลยนะพัถ้าบอกเป็นนุ่งไม้รักมัมอยู่ได้ยังไงอย่างนี้ยังแปลกใจว่าเขาแปลถูกหรือเปล่านี่นะพ่อน่าจะเอาต้นไม้อย่างอื่นมานุ่งมาหม่มเพราะไม้รักเนี่ยมันคันบางอาจารย์ก็กล่าวว่าเจาะแผ่นกระดานเปลือกไม้ร้อยทําเป็นเครื่องนุ่งหม่มปกปิดเอาไว้ อ, อย่างนี้ก็ยังชั่วนะ ท่านก็เลยมีชื่อว่าธารุจิริยะเพราะทรงภ้ากรองทาด้วยไม้ชื่อเดิมก็ชื่อพาหิยะใช่ไหมธ <c oughs> ารุจิริยะก็คือทรงผ้ากรองทาด้วยไม้อะไนระก็แสดงว่าแต่งตัวเหมือนกับชาวเผ่าสักเผ่าหนึ่งอ่ะนะท่านก็ถือกระเบื้องอันหนึ่งเที่ยวขอทานเขาเรียกขอก้อนข้าวที่ท่าสุ ป, ปรารกะโดยทานองดังกล่าวแล้ว พวกมนุษย์สมัยนั้นก็โง่จริงๆเลยนะเหมือนโง่เหมือนสมัยนี้แหละพวกมนุษย์เห็นเข้าก็คิดว่าถ้าเชื่อว่าพระอาหารหันยังมีในโลกไซท่านพึงเป็นอย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้จะถือเอาผ้าที่เขาให้หรือไม่ถือเอาเพราะความมักน้อยดังนี้เมื่อจะทดลองจึงน้อมผ้าจากที่ต่างๆเข้าไปภาหยะนี่อกุศลจิตเกิดขึ้นเลยคิดว่าถ้าเราจักไม่มาโดยทํานองนี้ซไซเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเหล่านี้เพึงไม่เลื่อมสายเรานี่นะถ้าเราเอานผ้ามันนุ่งมาห่มนี่เขาเลิกเลื่อมสายแน่ฉะ น, นั้นเนาเราพึงห้ามผ้าเหล่านี้เสียอยู่โดยทํานองนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ลาบสการะก็จะเกิดขึ้นแก่เราเขาคิดอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้หลอกลวงนะก็เป็นมหาโจรอีกชนิดหนึ่งแกล้งทําตัวไม่รับผ้าอวดสรรพคุณคิดว่าตัวนี่มีดีก็ นิกายนุ่งลมห่มฟ้าเนี่ยนะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ได้ยังไม่ได้สูญหายไปจากอินเดียอะไรหรอกนะนก็ยังมีผู้ที่นับถือนุ่งลมห่มฟ้าว่าเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็นิกายนี้ลัทธินี้ก็ยังได้รับความแพร่หลายในอินเดียนนะนายกรัฐมนตรีของอินเดียบางคนก็นับถือลัทธิเหล่านี้ด้วยนะลัทธิผู้นักบวชนุ่งลมห่มอากาศ มันพวกมนุษย์พวกนี้ก็คิดว่าน่าอัศจรรย์พระผู้เป็นเจ้านี้มักน้อยแท้มักน้อยถึงขนาดว่าผ้ายังไม่เอาเลยนะสันโดษจริงๆจึงมีใจเลื่อมใสโดยประมาณยิ่งกระทำสการะและสัมมานะเป็นอันมากฝ่ายท่านก็รับประทานอาหารแล้วได้ไปยังเทวสถานแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลมหาชนก็ไปกับท่านเหมือนกันได้ซ่อมแซมเทวสถานนั้นให้ยางนึกในใจและยุงไม่กัดอยู่เนาะ ก็คงมีมุ่งมันท่านก็คิดว่าคนเหล่านี้เลื่อมใสในฐานะเพียงที่เราเนี่ยทรงผ้าคากรองจึงทำพาการสการะและสัมมาณะอย่างนี้เราควรจะมีความประพฤติอย่างสูงสำหรับคนเหล่านี้จึงเป็นผู้มีบริขารเบาๆทำตัวเป็นผู้มักน้อยอยู่จึงก็ไอที่ทำตัวอยู่อย่างนี้ทุกวันก็เพราะอยากได้มากนั่นแหละก็แกล้งทาตัวเป็นมีน้อยคนก็จะได้ให้เยอะๆว่างัน้น เมื่อท่านนั้นถูกคนเหล่านั้นยกย่องพากันพูดว่าเป็นพระอรหันต์ก็สําคัญว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์จริงๆนะแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหรันต์หรอกอยู่ไปอยู่มาเอ๊ะใครก็เรียกเราเป็นอริยะหมดนี่แสดงว่าเราเป็นอริยะแน่อันหนึ่งการทําสการะและทําความเคารพก็จเจริญยิ่งขึ้นจเจริญยิ่งขึ้นและท่านก็ได้เป็นผู้มีปัจจัยมากมายเพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าสมัยนั้นแลพระพาหย ะ, ะท่านพาหยะทารุจิรยะอาศัยอยู่ที่ท่าสุ ป, ปรารกะใกล้ฝั่งสมุทรเป็นผู้อันมหาชนสการะเคารพสักกโตเนี่ยนะแปลว่าส ก, การะนะก็คือส ก, การะโดยบำรุงด้วยความเคารพคือเอื้อเฟื้อคารุกโตผู้อันมหาชนกระทำให้หนักด้วยการกระทำให้หนักดุดฉับหินโดยประสงค์ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษ มานิโตความว่าผู้อันมหาชนนับถือด้วยการยกย่องด้วยน้ำใจปูชิตโตความว่าผู้อันมหาชนบูชาแล้วด้วยการบูชาด้วยสักการะมีดอกไม้และของหอมเป็นต้นอาปาคิโตได้แก่ผู้อันมหาชนยำเกรงแล้วด้วยการให้หนทางและการนำอาสนะเป็นต้นด้วยใจเลื่อมสายยิ่งเป็นผู้ได ด้วยการได้ปัจจัยสี่มีจีวรที่แสนจะประนีตที่มหาชนนำเข้าไปยิ่งๆสรุปก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีลาบสการะเต็มเตี่ยมบริบูรณ์หมดเลยคือตอนแรกๆก็ทําเป็นไม่รับก่อนใช่ัหมตอนหลังเมื่อไม่รับเขาก็มากราวอ้อนวอนก็เลย ก, ก็อะไรนะทำเป็นสงฆัสงสารเขาสงเคราะห์เขาก็เลยรับเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้วันหนึ่ง ท่านก็ไปอยู่ในที่ลับเงียบๆคนเดียวเมื่อถูกพวกมนุษย์เป็นอันมากกล่าวว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์คนนั้นก็มาว่าอาหารหันต์คนนี้ก็ว่าพระอรหันต์จริงนะว่าคนอินเดียเนี่ยบางทีก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งเนี่ยเห็นพระภิกษุเดินเนี่ยอย่างในบางแห่งเนี่ยในอัสสัปุระนครเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเห็นพระเดินนี่เขาเรียกว่าพระอรหันต์เดินหมดพระอาหารหันต์ไปแล้วพระอาหารหันต์มาเขาเรียกยกย่องเป็นพระอาหารหันต์ไปหมดเลย อันนั้บางบางแห่งในบางเมืองเนี่ยเขานับถือกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์กลุ่มนี้ก็ลักษณะเดียวกันก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เกิดความคิดขึ้นว่าคือเกิดมิจฉามิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะก็คือดําริผิดคิดโดยอาการที่อยู่ในกล่าวในบัตรนี้เกิดความคิดว่าอย่างไรเกิดความคิดขึ้นว่าคนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเป็นพระอาหารหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมรักในโลก เราเป็นคนหนึ่งในจํานวนพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตตะมรกนั้นอธิบายว่าชนเหล่าใดชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะกําจัดข่าศึกคือกิเลสในสัตว์โลกนี้และเป็นผู้ควรแก่บูชาสการะเป็นต้นคือคําว่าอรหันต์นี้โดยสับแปลว่ากําจัดข่าศึกคือกิเลสอย่างหนึ่งควรแก่เครื่องสการะนี่อย่างหนึ่งแสดงว่าเรานี้เป็นแน่เพราะอะไร เ ร, เราดูไม่มีกิเลสเลยใช่ไหมไม่ได้คือบางคนเนี่ยกิเลสเกิดจนไม่รู้ว่ามีตัวเองมีกิเลสบางทีแล้วก็คนก็นับถือมากเหลือเกินก็เลยคิดว่าเรานี่แหละผ่าอรหันต์แล้วละ่ะหรือคนเหล่าใดชื่อว่าบรรลุอรหัตตะมัตเพราะข่าเพราะข่าข่าสึกคือกิเลสเหล่านั้นบรรดาคนเหล่านั้นเราก็เป็นคนหนึ่งทีนี้เทวดาเดือดร้อนนะครนี่ปราณส า, าโลหิตาแสดงว่าคนนี้มีบุญเก่าเยอะนะ เดืรอนถึงเทวดาคือเทวดาผู้บำเพ็ญสมณะธรรมร่วมกันเสมือนพวกพ้องร่วมสายโลหิตกันในภบกอ่อนเพราะนนั้เทวดาที่เคยปฏิบัติธรรมร่วมกันเนี่ยนะรักกันยิ่งกว่าญาติอีกกลุ่มผู้บำเพ็ญสมณะธรรมทั้งหลายเนี่ยรักกันยิ่งกว่าญาติญาติเนี่ยบางทีไม่รักกันมากเท่ากับผู้ประพฤติสมณะธรรมร่วมกันผู้ที่รักษาศีลอบรมสมถะวิปัสสนาร่วมกันด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ท่านเหล่านี้มีความรักกันมากมีความผูกพันมากแต่ไม่ใช่ด้วยฉันทราคานะด้วยเมตตาเป็นต้นเพราะว่าผู้ที่เจริญกรรมฐานทั้งหลายเวลาเจริญเมตตาเนี่ยเขาจะเจริญเมตตาให้แก่เพื่อนเพื่อนร่วมประพฤติสมณธรรมนี่ก่อนนะขอให้พระคุณเจ้าผู้เจริญรูปนั้นมีความสุขมีความเจริญ อย่าได้มีเวรอย่าได้มีภยัยขอให้สําเร็จมรรคผลเธออะไรเนี่ยก็เป็นการเจริญเมตตาให้แก่ท่านเหล่านั้นเมื่อเจริญบ่อยๆด้วยอนุภาพแห่งเมตตาที่ได้สังสม น, นะมีต่อกันมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นความผูกพันกันนะพันก็เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งตกทุกข์ได้ยากอีกฝ่ายหนึ่งก็จะคิดถึงกันเพื่อที่จะสงเคราะห์กันในเรื่องเรื่องเทวดาที่เป็นเพื่อนเก่าเนี่ยนะนะมีเรื่องอยู่ว่า เมื่อก่อนศาสนาของพระกสปะทศพลจะเสื่อมเขาเรียกว่าปลายปลายศาสนาภิกษุ7รูปเห็นอาการอันแปลกของสหธรรมิกมีสัมมเนิเป็นต้นก็คือเห็นพระพิสูจสัมมเนินที่นอกฤทธิ์นอกรอยพาการประพฤติผิดศีลผิดธรรมเนี่ยนะไอการที่ท่านทําตัวเลวซามแบบนี้เนี่ยนั่นคือเหตุผลถ้าไปอ่านคำพีเปตแตะวะ่ว่าถูหรือลักษณะสังยุต หรือวินีตวัตถุของจตุถะปราชิกเกี่ยวกับเรื่องอวดอุตริมนุสธรรมจะเห็นว่าผู้ที่ประพฤติเสียหายาภิกษุสัมณเณรเป็นต้นที่ประพฤติเสียหายในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพอมาถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้โดยมากก็เป็นเปรตกันอยู่ในคัมภี์เปตตวัตถุก็มีอยู่ในคนถในาถาธรรมบทเป็นต้นก็มีท่านเห็นกิริยาที่ทุศีลประพฤติผิดในธรรมก็เกิดความสังเวชสลดใจคิดว่าศาสนา ศาสนาคือไตรสิกขาเนี่ยนะยังไม่อันตรธานตราบใดเราจะทำที่พึ่งของตนตราบนั้นกลัวสิกขาจะเสื่อมเหลือเกินก็รีบปฏิบัติก่อนจึงไหว้เจดีทองพระพุทธเจ้าองค์ น, นั้นเนี่ยนะคือองค์ก่อนเนี่ยมีเจดีอยู่ที่เดียวเป็นเจดีทองเลยสูงโยดหนึ่งนะเพราะสรีระธาตุของพระองค์ไม่กระจายแบบพระพุทธเจ้าของเราก็สร้างเจดีไว้ที่เดียวท่านก็ไปไหว้เจดีทอง อุทิศชีวิตแก่พระพุทธศาสนาแล้วก็เข้าป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงกล่าวว่าผู้ใดมีความอะไรในชีวิตจงกลับไปนะแปลว่าจะขึ้นเขาขาดแล้วนะพันถ้าหากว่าผู้ใดรักตัวกลัวตายกลับบ้านเถอะว่างั้นผู้ไม่มีความอะไรจงขึ้นภูเขาลูกนี้ก็พากันผูกบันไดขึ้นภูเขานั้นทั้งหมดแล้วก็ผลักบันไดลงทําสมมนธรรม บรรดาภิกษุเหล่านั้นพระสังฆทีระคือพระที่เป็นหัวหน้านะเป็นอาจารย์ของกลุ่มบรรุพระรหัสโดยล่วงไปแห่งราตรีเดียวเท่านั้นเรียกว่าประหิตตโตสละร่างกายและชีวิตให้จิตเป็นไปกับสมณธรรมไม่นานคืนเดียวก็เป็นพระรหัสแต่ว่าท่านบวชมาเป็นสิบสิบปีแล้วล่ะพอท่านเป็นพระรหั์ท่านก็เป็นผู้มีฤทธิ์นะนำบิณฑบาตมาจากอุตรกุรุทวีป แล้วก็กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดฉันบินทบาทจากที่นี้เถิดนะเป็นพระหันมีริษใช่ไหมไปบินทบาทมาก็มาฝากเพื่อนสะพรมจารีภิกษุเหล่านั้นก็ถามว่าท่านผู้เจริญท่านได้ทําอย่างนี้ด้วยอนุภาพของตนแม่ถ้าแม้พวกกระผมจักยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้เช่นท่านไสายจักนํามาฉันเสียเองทีเดียวจึงไม่ปรารถนาบางคัมภีร์ท่านบอกว่า พ เ, เราไม่ได้ตกลงกันนี่ว่าใครบรรลุแล้วคนนั้นจะไปบินทบาทเลี้ยงไม่ได้คุยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านเอามาก็เป็นบุญของท่านท่านก็ฉันไปผมไม่ฉันก็ถือว่าของใครก็ของใครเป็นบุญของผู้ใดก็ของผู้นั้นถ้าผมปฏิบัติแล้วไม่บรรลุเหมือนท่านผมก็ไม่ต้องฉันวันที่สองพระเระรูปที่สองก็บรรลุอนาคามีผล แม้ท่านก็ถือเอาบิณฑบาตเหมือนอย่างนั้นไปยังที่นั้นแล้วนิมนต์ภิกษุนอกนี้ให้ฉันฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็ปฏิเสธเหมือนอย่างนั้นไม่ยอมฉันเดี๋ยวผมปฏิบัติให้บรรลุ ก, ก่อนแล้วผมจะห่ อ, อไปเอามาฉันเองละก น, นบรรดาภิกษุเจดรูปนั้นภิกษุรูปแรกที่เป็นพระสังฆทีระบรรลุเป็นพรทารหารันดับขันปรินิพานเนี่ยนะหลังจากสิ้นชีวิตก็ละทิ้งสรีระ เป็นพระอรหันต์ผู้มีร่างกายอันมีในที่สุดก็ไม่มีการปฏิสนธิในพบใหม่ส่วนพระอนาคามีก็เป็นบังเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาวาสพรหมโลกชั้นสุทาวาสพระเทระนอกนี้เป็นผู้เพียรพยายามอยู่ก็ไม่อาจทำคุณนะวิเศษให้เกิดขึ้นได้อีกห้าองค์เนี่ยนะไม่ได้บรรลุอะไรเลยท่านเหล่านั้นไม่สามารถ จะทําอะไรได้ก็สู้พร้อมตายลงในที่นั้นนั่นเองแล้วก็บังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปในเทวโลกนั่นแหละสิ้นพุทธันดรหนึ่งจากพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วถึงองค์นี้นะท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์เป็นส่วนใหญ่จนถึงพุทธุบาทการนี้ได้จุติจากเทวโลกบังเกิดในเรือนมีสกุลนั้นนั้ น, น, นห้าท่านคือใครบ้างสมัยพุทธกาลเลยห้าท่านนั้นก็คือพระราชาพนามว่าปุกุศลติอ่าเป็นพระราชาเมืองตักกศิลา ถ้าสมัยนี้ก็เป็นพระราชาของอัฟก า, านิสถานเนี่ยนะตอนหลังก็ฟังธรรมจากพวกอขออภัยฟังธรรมหรืออ่านสารจดหมายของพระเจ้าพิมพิสารที่ส่งไปก็ปฏิบัติอนาปานาสติจนได้ฌานแล้วก็อุทิศชีวิตแด่พระพุทธเจ้าท่านก็มาตายที่เมืองราชครึกปุกุศลสตินั้นนะฟังทา่าวิพังคสูตรบรรลุเป็นพระอนาคามีนะนะเป็นเป็นพระเจ้าปุกุศลสติก็ออกบวชมา อีกคนหนึ่งชื่อว่ากุมารากัสปะกุมารากัสปะนี่ก็คือเกิดในท้องขอเออคลอดจากท้องของนางภิกษุณีคือมีลูกสาวของหญิงมีตระกูลคนหนึ่งเนี่ยน ะ, อ, ะอยากจะบวชมากพ่อแม่ไม่ยอมอนุ ญ, ญาตตอนหลังก็แต่งงานพอแต่งงานนี่ก็อ้อนวอนสามีสามีก็อนุ ญ, ญาตให้บวชซึ่งนางก็ไม่รู้ว่ามีท้องเนี่ยนะพอไม่รู้ว่ามีท้องก็พอบวชไปก็มีท้องมีคันก็คลอดออกมาพระราชาเอาไปเลี้ยง พระเจ้าปเปเสนที่โกศลไปเลี้ยงเนี่ยนะพออายุโตขึ้นมาก็ให้บวชบวชก็เป็นพระอรหันต์ในวอ ม, มิกสูตรเนี่ยนะวอ ม, มิกสูตรเป็นสูตรที่พระกุมารกสปะฟังและบรรลุอีกคนหนึ่ง เ, เป็นเชื้อสายมรรกษัตว์เนี่ยนะชื่อว่าทัพพระมลบุตรทัพพระมลบุตรคนนี้ก็เป็นสัมมาเนนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเจดขวบเนีนะ่อีกคนหนึ่งชื่อว่าสพยาปริภาชก เป็นปริภาชกที่เกิดมาเที่ยวสแสวงหาอาจารย์สแสวงหาอาจารย์หนกแสวงหาอาจารย์เนี่ยอย่างมากจนได้เจอพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอริยะคนที่ห้าก็คือพาหิยะทารุจิระคนนี้ในท่านเหล่านั้นเนี่ยนะ พระอนาคามีอ่ะผู้ที่เกิดในพรหมโลกเรียกว่าปุราณาสาโลหิตาเทวตาพระอนาคามีเนี่ยไปถามปัญหาพระกุมารคสปะ15ข้อให้พระกุมารคสปะไปถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปผูกคําถามให้สพยาปริภาชคเนี่ยประมาณ20คําถามนะให้ให้ไปเที่ยวหาว่าใครตอบคําถาม20คําถามนี้ได้ก็ให้บวชประพฤติพรหมจรรย์ในท่านผู้นั้นแล้วก็ไปสงเคราะห์พาหยะ ส่วนปกติสาตินั้นไม่ได้ไปสงเคราะห์ถ้าพระมลรบุตรก็บรุตั้งแต่อายุ7ขวบในที่นี้คำว่าเทวดาหมายถึงพรมนะพรมชั้นสุดทาวาที่เป็นพระอนาคามีก็เมื่อพรมนั้นตรวจดูสมบัติแล้วก็นึกถึงสถานที่ตนมาในลำดับที่เกิดในพรมโลกนั่นเทียว การที่พวกชนทั้ง7ขึ้นภูเขากระทําสมณธรรมก็ดีความที่ตนบรรลุอนาคามีผลแล้วบังเกิดในพรหมโลกก็ดีปรากฏแล้วพอเกิดในพรหมโลกนี่หัวระลึกได้หมดเลยพรหมนั้นก็รำพึงว่าฝ่ายชนทั้ง5้าบังเกิดที่ไหนหนอรู้ว่าชนเหล่านั้นอ่ะบังเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจรก็เกิดในสวรรค์อยู่ใน6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งเนี่ยนะ ครั้งต่อมาตามเวลาอันสมควรก็ตรวจดูประวัติคือความเป็นไปของชนเหล่านั้นว่าตอนเนี้เขาทําอะไรกันหมายว่าผ่านไปหนึ่งพุทธันดรเนี่ยมา น, นึกถึงเพื่อนเก่านะโอ้ยหลายล้านปีมา ก, กันนึกถึงเพื่อนเก่าอีกรอบหนึ่งนะก็ราพึงว่าท่านเหล่านั้นอยู่ที่ไหนหนอได้เห็นพาหิยะอาศัยท่าสุ ป, ปรารกะนุ่งผ้าคากรองทําด้วยเปลือกไม้เลี้ยงชีพอยู่ด้วยความหลอกลวง น, นะตอนเนี้กําลังหลอกลวงชาวบ้านเขาอยู่ พร้อมก็เลยคิดว่าเมื่อก่อนผู้นี้พร้อมกับเราผูกบันไดขึ้นภูเขากระทำสมณธรร ม, ม, รรมไม่อะไรในชีวิตเพราะประพฤติกวดขันอย่างยิ่งแม้พระอาหารหันจะนำบินทบาทมาให้ก็ไม่ฉันอดีตนะอดีตนี้เคร่งมากนะถ้าไม่ใช่อาหารที่ได้มาเองไม่ยอมฉันบัตรบันี้คือชาตินี้เนี่ยประสงค์จะให้แต่เขายกย่องแปลว่าหลอกลวงะนะ ไม่เป็นพระอรหันต์เลยก็ยังเที่ยวปฏิยามตนว่าเป็นพระอาหารหันต์ตอนนี้มีความปรารถนาลาบปรารถนาสาการะต้องการชื่อเสียงขณะเดียวกันพาหิยะคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าพระทศพลคือพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยกำลังสิบนี้อุบัติขึ้นแล้วในโลกเอาเถอะเราจะทำเขาให้สลดใจแล้วให้รู้ว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะต้องการจะสงเคราะห์เพื่อนเก่า ท่นใดนั้นเองก็ลงจากพรห ม, มโลกปรากฏตรงหน้าท่านทารุจิริยะที่ท่าสุ ป, ปรารกะตอนกลางคืนท่านพาหยะเห็นแสงสว่างโฉดช่วงในที่อยู่ของตนก็คิดว่านี้เหตุอะไรหนอแล้วได้ออกไปข้างนอกตรวจ ด, ดูอยู่ก็เห็นมหาพรหมอยู่ในอากาศจึงประคองอัญเชลีถ้าเรานี้เห็นแสงสว่างพรหมมาอย่างนั้นนกลัวไหมไม่แน่นะอาจจะหาทางหนีก่อนนี่คิดว่าจะหนีพ้นอนนะ่ะเนาะก็ ไม่รู้ไปยังไงยกมือไหว้ก่อนนะตรงนี้อ่อนน้อมไว้ก่อนนะนะก็เลยถามว่าท่านเป็นใครลําดับนั้นพรหมก็ได้กล่าวแก่ท่านว่าเราเป็นสหายเก่าของท่านคราวนั้นเราเราบรรลุอนาคามีผลเรานี่บังเกิดในพรหมโลกแต่ท่านไม่สามารถจะทำคุณวิเศษอะไรให้เกิดได้คราวนั้นท่านทํากาละกิริยาเยี่ยงปุตุชนคือไม่ได้บรรลุแม้กระทั่งโสดาปฏิมากรก็เรียกว่าปุตุชน ท่านก็ยังท่องเที่ยวไปบัดนี้ทรงเพศเยี่ยงเดียรถีนะแปลว่าโอ้หท่านนี้ยอยู่ในลทัทธิมิจฉาทิฏฐินะท่านไม่เป็นพระอรหันต์เลยก็ยังเที่ยวถือลัทธินี้ว่าเราเป็นพระอรหันต์ตัวเราเนี่ยรู้ว่าท่านตอนนี้หลอกลวงจึงได้มาดูก่อนพาหยะท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยจงสละทิฐิอันลามกชั่วชา้าเลวซามนั้นเสียเถิด ท, ท่านอย่าได้ เป็นไปเพื่อความชีพหายเพราะอะไรเพราะมิจฉาทิฏฐิตัวนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความชีพหายเป็นไปเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานเพราะจริงๆตัวเองไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่สําคัญว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ถือว่าสูงสุดยอดของชีวิตหมดแล้วใช่ไหมกิเลสยังเต็มหัวใจเหมือนเดิมแต่นั่งอยู่ในตําแหน่งพระอรหันต์อะไรจะเกิดขึ้นก็หลอกลวงตัวเองด้วยพาหลอกลวงคนอื่นด้วยสอนรัตที่มิจฉาทิฐิไปอบายคนเดียวยังไม่พอ หาสมัครพักพวกไปเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นสละไอความเห็นผิดความเข้าใจผิดที่ถือว่าตัวเป็นพระอรหันเสียบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันจงเข้าไปเฝ้าพระองค์เถิดตอนนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันจงไปเปิดพระไตรายปิฎกอ่านเถิด ทนี้ย้อนกลับมานะว่าที่บอกว่าเทวดาท่านนี้เนี่ยเป็นผู้อนุเคราะห์อนุเคราะห์แปลว่าอนุกรรมปิกาอนุกรรมปิกาเนี่ยเป็นชื่อของผู้มีปกติอนุเคราะห์อนุเคราะห์นี้อยู่ในพรหมวิหารข้อข้อไหนผู้ยิ่งด้วยกรุณาเนี่ยน ะ, ะแสดงว่าพรหมนี่มีกรุณาต่อพาหยะใช่ไหมต้องการบำบัดความทุกข์ของพาหยะ เพราะถ้าคืนปล่อยให้พาหยะเป็นมิจฉาทิฐิอย่างนี้ตลอดไปจะไปไหนก็เป็นปลาเฝ้าทะเลนั่นแหละเพราะฉะนั้นอัตถกามาเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์อันนี้หมายถึงเมตตาคือลักษณะของกรุณาเนี่ยนะเห็นว่าเขามีทุกข์ต้องการเปลื้องให้เขาพ้นทุกข์อันนั้นเป็นกรุณาน้อมนําประโยชน์ไปให้เขาปรารถนาให้เขาบรรลุมรรคผลเป็นต้นเป็นเมตตา ก็ในที่นี้ด้วยบทแรกบทแรกคืออะไรผู้มีปกติอนุเคราะห์ที่บอกว่าการุณาเนี่ยท่านแสดงถึงความที่เทวดานั้นน่ะประสงค์จะบำบัดทุกข์ของพาหยะเนี่ยนะกรุณาเนี่ยประสงค์บำบัดทุกข์นะบทหลังที่บอกว่าเมตตาเนี่ยแสดงถึงการนาประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้ทีนี้พูดถึงพรมอีกต่อไปเนี่ยนะพรมเนี่ย เข้ามาหาภาหยะแบบนั้นเนี่ยนะท่านพาหยะผู้เป็นมิจฉามิจฉาปริวิตกมีมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยกำลังคิดอยู่นั้นแล้วพรมมาเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนจับโจรพร้อมทั้งของกลางพาหยะไม่กล้าปฏิเสธเลยนะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะก็อายพรมมากกลัวพรมมากเลยพรมท่านบอกว่าดูก่อนพาหยะท่านไม่เป็นพระอาหารหันต์ หรือไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอรหัตมรักอย่างแน่นอนอ น, นะบทว่ า, เ, าเนวะโคตวังพาหิอระรหานี้พรหมปฏิเสธว่าพาหิไม่ใช่พระอาเสขะในการนั้นเวลานั้นนะท่านไม่ได้เป็นพระอาเสขะอาเสขะคืออะไรคือผู้ที่อ บ, บรมศิกขาสำเร็จแล้วไม่ต้องศึกษาอีกแล้วหมายว่าศึกษา ไตรศิขาจนสําเร็จเป็นพระอรหันเรียบร้อยแล้วบทว่านาปิอรหัตตมักคังวาสมาปันโนบอกว่าท่านก็ไม่ได้เป็นพระเสขานะขณะนี้ท่านไม่มีศิขามดแต่ข้อเดียวเพราะหลอกลวงนี่จะศีลก็ไม่เป็นใช่ไหมถ้าศีลไม่ได้สมถาวิปัสนาจะมาจากไหนด้วยบททั้งสองแสดงว่าท่านพาหยะไม่ใช่เป็นพระอริยะบุคคลพรหมปฏิเสธว่า พาหยะเป็นเพียงกัละยาณปุตตุชนแต่ถ้ายังหลอกลวงนะไม่ยอมสละมิจฉาทิฏฐิก็เป็นอันทะปุตุชนแล้วก็ยังบอกว่าปฏิปทาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติเครื่องให้เป็นพระอาหารหันเนี่ยนะหรือข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดอรหั ต, ตมรักภพาหยะก็ไม่มีปฏิปทาที่เป็นเบื้องต้นทาให้บรรลุเป็นพระอาหารหันคืออะไรก็คือวิสุทธิหกประการ วิสุทธิที่หก็คือ 1. ศีลวิสุทธิ 2. จิตตวิสุทธิ 3. ทิฏฐิวิสุทธิ 4. กังขาวิตรณะวิสุทธิ 5. มคามัคคายานัทสนวิสุทธิ6 6. ปฏิปทายาณทัทสนวิสุทธิอรหัตมรักษ์นี้เป็นยานัทสนวิสุทธิคือยาณทัทสนวิสุทธิเป็นชื่อของโซดาปฏิมรักษะทาคามีมรักอนาคามีมรักและ อรหัตตมักเนนะเพราะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะตอนที่นุ่งผ้าเปลือกไม้อยู่นั่งนุ่งเปลือกไม้อยู่เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยดิสุทธิแ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีแม้แต่ข้อเดียวนี่มาดูในหน้า137่งยาเ่คำอธิบายเกี่ยวกับวิจารณ์แบบทั่วๆไปในสมัยนั้นนะไม่อ่านนะเอาแต่เนื้อหาก็พอ ลำดับนั้นท่านพาหยะแลดูมหาพรหมผู้ยืนกล่าวอยู่ในอากาศจึงคิดว่าโอ้ข้อที่เราเข้าใจว่าเป็นพระอาหารหันต์เข้าใจตัวเองผิดว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยเป็นกรรมหนักแท้อันนี้ผู้มีบุญนี้เขาจะเป็นอย่างนี้สังเวทตัวเองเลยนะสลดใจมากๆเลยว่าเราไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลยเนี่ยนะแล้วคิดว่าตัวเองมีคุณธรรมเนี่ยนเรื่องหนักหนาสาหัสมากเลยนะเนี่ยและพรหมนี้กล่าวว่าแม้ปฏิปทาเครื่องบรรลุอรหัตตะมัก เครื่องบรรลุอรหัตก็ไม่มีแก่ท่านใครใครผู้เป็นพระอรหันต์ในโลกมีอยู่หรือหนอก็เลยถามคือถามว่าครั้งนั้นเนี่ยในชมพูทวีปทั้งสิ้นเนี่ยอันเป็นโลกเป็นที่รองรับบัตรนี้พระอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรคมีอยู่ที่ไหนอันเป็นที่ที่พวกเราเข้าไปหาท่านแล้วตั้งอยู่ในโอวาทของท่านจะพ้นจากวัฏทุก์ รู้ตัวว่าตัวเองไม่เป็นพระอรหัน์นี่นึกถึงว่ามีไหมผู้ที่เป็นพระอรหรันถ้ามีผู้ที่เป็นพระอรหรันจะขอไปฟังธรรมของท่านจะได้ปฏิบัติตามเพื่อพ้นจากวัฏฏุกตรงนี้พรมเขาแนะนำว่ายังไงพรมตอบว่าดูก่อนพาหิยะในชนบททางเหนือมีพระนครชื่อว่าสาวตถี บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่พระนครนั้นดูก่อนภาหยะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนทั้งทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยอันนี้ก็อธิบายคำว่าอ่านะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เป็นพระอรหันต์อรหังอรหังอรหังชื่อว่าพระอรหันต์เพราะเป็นผู้ไกล ไกลจากอะไรไกลจากกิเลสจริงอยู่ผ่าหันชื่อว่าเป็นผู้ไกลคือตั้งอยู่ในที่ไกลแสนไกลจากสัพภากิเลสต่างจากพวกอยู่ใกล้กิเลสใช่ไหมอยู่ใกล้กิเลสก็เหมือนกับอะไรนะเเหมือนกลุ่มน้ำมันเบนซินเป็นต้นน่ะน้ำมันเบนซินอยู่ใกล้ไฟอะไรจะเกิดลามหมดเลยนะลุกไหม้หมดนะฉันใดผู้มีกิเลสก็เหมือนกันรับอารมณ์ที่น่าปรารถนาราคะก็เกิดรับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา โทสะก็เกิดอารมณ์ไหนก็ไม่พิจารณาตามเดิมโมหะก็เจริญอันพระอรหันต์นี่ไกลแสนไกลจากสัพภากิเลสเพราะท่านกำจัดกิเลสทั้งหมดได้ด้วยอรหัตตมรรคแล้วอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่หนึ่งเขบอกว่าไกลแสนไกลจากสัพภากิเลสต่างจากพวกปุตุชนที่อยู่ใกล้กิเลสเนี่ยนเะชื่อว่าพระอรหันต์เพราะกำจัดกิเลสพร้อมทั้งวาสนาด้วยมรรค หรือฆ่ากิเลสดุดฆ่าศึกเสียได้ น, นะกิเลสนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยกำจัดพร้อมทั้งวาสนาคือความประพฤติ ท, ที่ไม่ดีเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ละกิเลสกิเลสนี้ประดุดฆ่าศึกใช่ไหมมันเป็นฆ่าศึกยังไงก็บอกว่าราคะโทสะโมหานี้เป็นฆ่าศึกภายในศัตรูภายในเพชฌฆาดภายในผู้ฆ่าภายในโทสะเกิดในฆ่าศีลหมดเลยใช่ ราคะเกิดก็ฆ่าสมถะหมดเลยโมหะเกิดก็ฆ่าวิปัสนาเนี่ยนะฆ่าศีลสมถาวิปัสนาฆ่าสมณะธรรมทั้งหลายจะไม่เรียกว่าเป็นฆ่าศึกศัตรูได้อย่างไรพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทาลายฆ่าศึกภายในได้หมดสิ้นแล้วจริงอยู่ฆ่าศึกคือกิเลสทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าฆ่าคือถอนแล้วด้วยอรหันตมรรคโดยสิ้นเชิงอันหนึ่งชื่อว่าพระอรหันตเพราะกําจัด คื อ, อกํามจัดซี่กรรมคือกิเลสเสียได้เนี่ยนะกําจัดซี่กรรมนะกรรมตัวนั้นคือซี่กรรมหมายถึงสังขารอ่ะนะก็ต้องนึกถึงอะไรนะเคยเห็นล้อกเกวียนไหมเคยเห็นล้อกเกวียนะอ่ะล้อเกวียนนี่มันจะมีกรงกงก็คือวงรอบนอกซี่กรรมแล้วก็มีเพลามีดุมแล้วก็มีเพลาสอดกลางเนี่ยนะนะคำว่าผ้ารหันนี้ก็คือกําจัดไอตัวซี่กรรมอันนั้นได้หมด สี่กรรมตัวนั้น อ, อธิบายว่าจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงยืนหยัดบนปัตตภีคือศีลศีล น, นี่อุปมาดุดแผ่นดินเนะท้าทั้งคู่ยุคคบลบัตแปลว่าเท้าทั้งคู่คือความเพียรทรงใช้พระหัตพระหัตเนี่ยก็คือแขนเนี่ยอุปมาศรานี่เหมือนแขนเนี่ยนะจับขวานคือยานอันเป็นเหตุกระทํากรรมกระทนาะสี่กรรมบุญยกรรม อ, นนะอะไรนะ ปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขาร เ, เนี่ยนะก็จับขวานที่เป็นเหตุกระทํากรรมให้สิน้นก็คือประหารสี่กรรมนะกําจัดสี่กรรมทั้งหมดแห่งสังสารจักอันมีดุมตัวดุมก็คือตัวแกนเนี่ยนะไอตัวตัวที่ที่ตอกสี่กรรมอะ่ะที่สำเร็จด้วยอวิชชาพบและตันหามีปุญญาพิสังขารเป็นต้นเนี่ยเป็นกรรม มีชรามรณะเป็นกงสอดใสเพลาอันสำเร็จด้วยอาสวะสมุทัยประกอบเข้าในรถคือภพสามอันเป็นไปตลอดการไม่มีเบื้องต้นคือท่านพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะแสดงชีวิตของเรานี่เหมือนกับรถนะเหมือนกับรถรถคืออะไรรถคือภพสามการมาภพรูปประภพและอรูปประภพเนี่ยนะทีนี้รถคือภพสามเนี่ย ตัวรถเนี่ยจะต้องไปติดกับวงล้อใช่ไมรถมันจึงจะวิ่งไปได้ทีนี้ล้อเหมือนกับไอล้อจักรยานหรือล้อกเกวียนเนี่ยตัวซี่กงเนี่ยตัวกงรอบนอกเนี่ยเหมือนกับชรา ม, มรณะตัวซี่กรรมก็คือกรรมภพตัวดุมก็คืออวิชชาภาวะตัณหาซี่กรรมก็คือสังขารเพลาก็คืออาสวะสมุทัยที่สอดเข้าไปในรถพระองค์ก็มีอนะ มีศรัทธาเนี่ยนะ ม, มีแขนคือศรัทธาจับขวานคือปัญญาเนี่ยประหัตประหารเข้าไปในรถทําลายรถโดยสิ้นเชิงก็กลายเป็นพระพุทธเจ้านะพูดในหนึ่งแปล ว, ว่ารถล้อหักอนะไรอย่ันรถล้อหักเนี่ยนะรอผุเนีนะตอนนี้เพราะก็ผุเต็มทีแล้วใช่ไหมก็เหลือแต่เฉพาะพระบรมสารีริกธาตุอีกไม่นานสักเท่าไหร่พระาธาตุก็อันตรธานหายไปจากโลกก็ถือว่าเป็นรถที่เลิกวิ่งในวัตฏะที่ถนนขรุขระเต็มทีเนี่ยนะ ซึ่งต่างจากพวกเราเนี่ยนะไปวิ่งไปถึงไหนเนาะเนี่ยนะรอบโลกอีกกี่รอบเนี่ยนะอันคำว่าพระอาหารนี่แปลว่าทําลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพระอาหารนี่แปลว่าเป็นผู้ควรควรอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมสมควรแก่ปัจจัยมีจีวรเป็นต้น น, นะนะก็สมควรแก่ปัจใจศีสมควรแก่การบูชาพิเศษเ น, นะนะบูชาด้วย อดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟตลอดจนถึงสมัยนี้ก็สร้างเจดีเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อเป็นพุทธบูชาพระองค์นี้เป็นผู้ที่สมควรแก่เครื่องบูชาจริงๆเพราะพระองค์นี้เป็นพระทักษินายะบุคคลอันเลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้ที่มีคุณธรรมเสมอด้วยพระองค์ไม่มี้นพระองค์นี้จึงเป็นผู้สมควรแก่เครื่องสักการะเครื่องอเครื่องบูชาเป็นต้นเนี่ยนะ อันหนึ่งชื่อว่าพระอรหันต์เพราะไม่มีความลับในการทําบาปไม่มีการเก็บตัวเงียบๆเพื่อจะทําบาปนะไม่มีจริงอยู่พระตถาคตท่านเรียกว่าพระอรหันต์เพราะไม่มีความลับในการทําบาปโดยกิเลสลามกก็ไม่มีหมายความว่าไม่มีเลยที่คิดไม่ดีนิดเดียวก็ไม่มีในใจเนี่ยนะคิดแอบคิดด้วยโลภะนิดเดียวก็ไม่มีแอบคิดด้วยโทสะนิดเดียวก็ไม่มีเพราะกําจัดราคะโทสะโมหะได้หมดแล้วจึงไม่มีความลับในการ พเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในที่แจ้งที่รับท่านก็สะอาดเสมอเนี่ยนะเพราะพระองค์ถอนกิเลสมีราคะเป็นต้นได้โดยประการทั้งปวงอันนี้คืออรหันต์อรหันต์อรหันต์นั้นท่านเน้นไปที่ความบริสุทธิ์เนี่ยนะเน้นในความเป็นผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะบริสุทธิ์ด้วยอรหัน ต, ต์รรมจนสา ม, มารถกําจัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงต่อไปก็อรหังเสร็จก็สัมมาสามัมพุโทโธใช่ไหมสัมมาสามัมพุทธะ ส, สัมมาสัมพุทธะเพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองนนะไม่มีใครบอกกล่าวแนะนำตรัสรู้โดยไม่มีผู้ตั้งต้นให้นะสามารถไขค ร, ครวนพิจรารณาแล้วก็ปฏิบัติจนสามารถตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองก็อย่าท่านเป็นผู้มีบุญะนะท่านสังสมบุญมามากจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งนะทรงกาหนดรู้ธรรมที่ควรกาหนด เนี่ยพระองค์นี้ตรัสรู้ยิ emos, ่งธรรมที่ควรละโดยเป็นธรรมที่ควรละพระองค์ตรัสรู้ยิ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งโดยความเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งพระองค์รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรเจริญโดยเป็นธรรมที่ควรเจริญตรัสรู้นะสรุปว่ารู้อะไรอภินญยธรรมปริญยยธรรมปหาตปธรรมสัชิกาตปรธรรมและพาเวตปธรรม พระองค์ก็ยังบอกเลยว่าอภินยยังอภิญญาตังพาเวตัพันจภาวิตังปหาตับพังปะฮีนัมเมตสมาพุทโธสมิบรมณนะทำที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วทำที่ควรเจริญเราเจริญแล้วทำที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นแหละพราหมณ์เราจึงเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้พระองค์ยืนยันกับเสลพราหมณ์อนะถึงข้อปฏิบัติที่ทําให้พระองค์เป็น พระพุทธเจ้าทำที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรก็อริยรสัจสีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งพระองค์รู้ยิ่งหมดแล้วหรือวิชา ว, วิมุตต์ควรรู้ยิ่งพระองค์ก็รู้ยิ่งแล้วทำที่ควรเจริญเราก็เจริญแล้วคืออริยมรรคเนี่ยนะสิ่งที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญหมดแล้วสิ่งที่ควรละคือสมุทยัยสัจเป็นสิ่งที่ควรละพระองค์ก็บอกว่าเราละได้แล้วความที่พระองค์รู้ยิ่งเจริญละดังกล่าวไปแล้วเนี่ยจึงเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้คือกิจ หรือข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าข้อความมันนี้มีอยู่ในเสรสูตรในนัเสรสูตรมัชฌิมานิกายอีกอย่างหนึ่งพึงนำอัฏฐานี้โดยธรรมะหมวดสามและสองทั้งปวงเป็นต้นที่บอกว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์รู้อะไรก็คือรู้ว่าธรรมนี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขธรรมนี้ชื่อว่าอากุศลเพราะมีโทษให้ผลเป็นทุกข พระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะตรัสรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงโดยประการทั้งปวงด้วยสยามภูญานอันไม่วิปริตหมายคือว่าพราะองค์รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นธรรมดำอะไรเป็นธรรมขาวอะไรเป็นธรรมที่ควรละอะไรเป็นธรรมที่ควรเจริญสามารถจำแนกแจกแจงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างละเอียดทีท่วนโดยไม่มีใครบอกเลยแล้วการตรัสรู้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริง ที่ไม่แปรผันเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีคาว่าวิวปริตผิดเพี้ยนไปอีกเลยเนยนรรายละเอียดเกี่ยวกับสัมมาสามัมพุโทโธใครอยากได้พิสดานก็ไปดูวิสุทธิมรรคใครอยากได้ปฏิสพิศดามก็ น, นั้นก็ไปดูปฏิสัมพิธามรรคเป็นต้นนะอรหัตตายะเนี่ยนะอรหัตตาตายะได้แก่เพื่อให้ได้อรหัตผลธรร ม, มังเทเสติ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้แสดงธรรมเพื่อให้ได้อรหัตผลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมยังไงจึงสมควรแก่การบรรลุอรหัตผลความว่าย่อมอ้างคือแสดงธรรมมีแสดงธรรมคือปฏิปธรมมีศีลเป็นต้นอันสมควรอันควรแก่คุณนพิเศษ น, นะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าอาทิกกลยานางไพระในเบื้องต้นมัชฌิกลยานางไพระในท่ามกลางปริโยสานกาลยานางภไพระในที่สุด หรือพระองค์เนี่ยแสดงธรรมคือสมถะและวิปัสนาอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเวนยสัตว์นั่นแลเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแสดงธรรมคือสมถะวิปัสนาแล้วเป็นการแสดงธรรมที่ตรงกับอัธยาศัยของสัตว์จริงๆเพราะพระองค์จึงแสดงธรรมเพื่อให้ได้อรหัตผลพันให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเถอะ ท่านพาหิยะเนี่ยพอฟังว่าพระพุทธเจ้ามีในโลกนะพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันตะสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้ทำ เ, เพื่อทาให้เกิดหรือทำให้บรรลุอรหัตตะผลพอฟังจบแล้วก็เลยสังเวชิโตแปลเป็นภาษาไทยว่าสังเวชมากนะคือสลดใจว่าท่านผู้เจริญหน้าติเตียนจริงความเป็นปุถุชน ความเป็นปุถุชนคือความที่กิเลสหนานี่แหละเป็นเหตุให้เราผู้ไม่เป็นพระอาหารหันต์เลยสำคัญตนว่าเป็นพระอาหารหันต์และก็ไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงแสดงธรรมอยู่ก็ความเป็นอยู่รู้ได้ยากหมายว่าชีวิตเนี่ยที่จะเป็นไปเนี่ยก็รู้ยากความตายก็รู้ยากไม่รู้ว่าอายุเราจะอยู่เท่าไหร่ ตายเมื่อไหรตายเมื่อไรตายที่ไหนตายเวลาใดเป็นต้นก็ไม่รู้ก็เลยสังเวทตามคำพูดของเทวดาสลดใจมากเนี่ยนะพาหยะเนี่ยพอเทวดาแนะนำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็เลยทไสลดใจอย่างนี้ก็หลีกจากท่าสุปปรกะในทันใดนั่นเองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอ่ะนะ ในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบบอกว่าสป ป, า, ส ป, ปารกาป ก, กามิความว่าผู้มีหะไทยอันปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อันเกิดขึ้นเพราะได้ยินพระนาม ว, ว่าพุทโธโอ้ฟังคําว่าพุทโธเนี่ยดีใจมากเลยปีติมากเลยนะของเราก็เมื่อไรเนาะวันนั้นจะมีบ้างวันไหนนะวันนี้เลยเหนไพุทโธก็ปลื้มเลยนะพุทโธนี่ว่างไงนะ พุโทโธพุทธาเมื่อเช้าก็ว่าก็คือการตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะพอฟังคําว่าพุโทโธคือผู้ตรัสรู้อริยสัจเกิดขึ้นแล้วในโลกพระปิติเลยนะดีใจมากนะเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ตั้งความปรารถนาเพื่อรู้อริยสัจอยู่แล้วใช่ไหมพอได้ฟังคําว่าผู้รู้อริยสัจแค่นั้นนะดีใจมากเลยแต่ก็เป็นจริงนะบางท่านเนี่ยเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยนะในในแม้แต่ชาติเนี่ยเป็นผู้ที่อยากฟังเรื่องอริยสัจมาก เขาบอกว่ามีที่ไหนมีหัวข้อบรรยายริยสัตย์ก็ตามไปฟังเสร็จแล้วก็เลี้ยวกลับมาทุกทีเขาว่านงนะพระเพื่อนรูปหนึ่งท่านพูดอย่างนั้นอ่ะนะก็หัวข้ออริยสัตย์แต่พูดไปที่ไหนก็ไม่รู้เ่วาว่านพอฟังคําว่าพุโทโธก็ดีใจนะสรุปว่าพอดีใจก็สลดสังเวจใจเนี่ยนะสังเวกวาฏุกเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้มีบุญ บนเนี่ยตักเตือนอยู่ก็เลยออกจากท่าสุ ป, ปรารกะมุ่งตรงไปยังกรุงสาวัถีเดินทางร้อยยี่สโยดพักแรมที่ละคืนที่ละคืนที่ละคืนต่อไปนะส่วนการวิจารณ์ทั่วไปไม่อ่านยอ่อหน้ายอ่อหน้าล่างสุดกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วว่าวันนั้นเนี่ยพระพาหยะต้องมาถึงนะวันที่พาหยะไม่มาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าพาหยะมาถึงพระองค์ก็คิดต่อไปว่า ดําริก็คือคิดนั่นแหละชั้นแรกอินทรีย์ของท่านพาหยะยังไม่แก่กล้านะศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญายังไม่แก่พอที่จะตรัสรู้นะแต่ตานี่คงแก่พอใช้ได้แล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแก่ใช้ได้แล้วแต่ว่าศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญายังไม่แก่พอแต่ในระหว่างชั่วครู่จากถึงความแก่กล้านะดึงเวลาให้อีกแค่23ชั่วโมงเนี่ยอินทรีย์5แก่กล้าเลย ออบางทีเวลาก็ช่วยทำให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะแต่ว่าตาหูจมูกลิ่นกายใจเนี่ย น, นี้เพิ่มโดยธรรมชาติมันเองท่านพระองค์ก็เลยรอคอยให้อินทรีมีศรัทธาเป็นต้นนี่แก่กล้าจึงแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จทรงบาทเนี่ยนะก็คือเสด็จบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีในขณะนั้นท่านพระพาหิยะเนี่ยก็เข้าไปยังพระเชตวันใช่มเข้าไปยังพระเชตวัน เห็นพิสูจนเป็นอันมากฉันทัตทหารเช้าแล้วจงกลมอยู่ในกลางแจ้งเพื่อปลดเปลื้องความเกียดคร้านทางกายหมายค่ะว่าถ้าหากว่าฉันเสร็จเนี่ยเข้าห้องเลยอะไรจะเกิดขึ้นความง่วงทั้งหลายก็ระดมเข้ามาช้างเนี่ยตกลงทับเลยตัวหนึ่งนะทุระทั้งหลายแหลจงยกไว้เดี๋ยวนะี้ท่านพาหยะก็เลยเข้าไปถามพระพิสูจน์ที่เดินจงกรมอยู่นั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหน พิสูจทั้งหลายก็กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบาดยังกรุงสาวัตถีแล้วก็ถามว่าก็ท่านเล่ามาจากที่ไหนภายะก็บอกว่ามาจากท่าสุ ป, ปราราักพิสูจทั้งหลายกล่าวว่าท่านเนี่ยมาไกลเชิญนั่งก่อนจงล้างเท้าทาน้ามันแล้วพักสักหน่อยหนึ่งในเวลาพระองค์กลับมาก็จะเห็นพระศาสดาท่านพายะกล่าวว่าท่านครับกราบผมนี้ไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของตนโดยวันเล็กน้อย กระผมไม่ยืนไม่นั่งนานแม้ในที่ไหนๆมาสิ้นระยะทางร้0ยโยชนพออ่นะพอเฝ้าพระาศาสดาแล้วจักพักผ่อนก็คื อ, คอเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก่อนแล้วค่อยพักนะเรื่องพักจงยกไว้ก่อนนะเอาทุระที่มาให้สําเร็จก่อนก็เลยรีบด่วนเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รุ่งโรดด้วยพุทธสิริหาที่เปรียบปานไม่ได้ ก็ลองมาดูบาลีก่อนนะในหน้า125ข้อ48ก็สมัยนั้นแลภิกูุมากด้วยการจงกรมอยู่ในที่แจ้งพาหิยะธารุจิริยะเข้าไปหาภิสูจน์ทั้งหลายถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ถามพิสูจน์เหล่านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนหนอข้าพระเจ้าประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ภิกษุเหล่านั้นก็ตอบว่าดูก่อนภาหยะพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ละแวกบ้านเพื่อบินธบาติลาดับนั้นแลท่านพาหยะธารุจิริยะรีบด่วนออกจากพระวิหารเชตวันเข้าไปยังพระนครสาวัตถีได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังเสด็จเที่ยวบินธบาติในพระนครสาวัตถีนนะกิริยาพระพุทธเจ้าเป็นยังไงหน้าเลื่อมใสควรแก่ความเลื่อมใสมีอินทรีย์สงบ มีพระไทยสงบถึงความฝึกและความสงบอันสูงสุดมีพระองค์อันฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์สัมรวมแล้วผู้ประเสริฐแล้วพอเห็นอย่างนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคต โปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ค่าพระองค์สิ้นกาลนานเธอเนี่ย น, นะเห็นหน้ากราบไหว้เสร็จขอฟังธรรมเลยนะมาดูอัตถกถาเพิ่มเติมอีกในหน้า141ย่อดหน้าล่างบทว่าทัศนกา ม, มาแปลว่าเป็นผู้ใคร่จะเห็นอ้อยากเห็นพระพุทธเจ้ า, าจริงๆเลยนะ<ม>ก็บางท่านนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเหมือนกับไปที่อินเดียใช่ ไปจะไปพักที่ที่พักไปพักที่วัดหรือที่โรงแรมก็ตามบอกขอไปที่ต้นโพก่อนเนีนะที่พักค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะขอให้ได้ไปไหว้ต้นโพก่อนเนี่ยนะกลัวไม่ได้ไหว้ก็เลยไปก่อนหลายท่านก็บอกเข้าที่พักอาบน้ําให้สบายก่อนเนี่ยนะก็เลยเถียงกันเอาเป็นว่าฝ่ายบอกว่าเข้าไปเฝ้าต้นโพก่อนชนะก็เลยไปต้นโพก่อนเนี่ยนะแล้ไม่เป็นไรบอกใครรีบกลับที่พักเดี๋ยวจะให้รถไปส่งก่อนเนี่ยนะ ก็เลยสรุปตกลงเป็นเอกฉันว่าเข้าไปไหว้ต้นโพรพร้อมกันหมดเลยปั้นพูดถึงท่านพระพายยะเนี่ยเป็นผู้ใคร่จะเห็นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้ว่าก็เราปรารถนาจะเฝ้าและเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นดูอุปมาของท่านเนี่ยเป็นอุปมาที่เป็นผู้มีศรัทธาจริงๆนะอยากเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนอะไรเหมือนคนตาบอดปรารถนาจะมีตา เขาบอกว่าตาหายได้เนี่แหมตาบอดมานี่อยากมีตาสว่างจริงๆเหมือนคนหูหนวกปรารถนาจะมีหูดีเหมือนคนใบ้ปรารถนาการกล่าวให้รู้เรื่องเหมือนคนมีเท้ามีมือพิการปรารถนามือปรารถนาเท้านะ ก, ก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยได้ข่าวเข้ามาบอกเขาขาด้วนนะนะพอบอกที่โน่นเขาแจกขาเทียมเนี่ยโอ้รีบเสนอตัวไปเลยนะนะเหมือนคนขัดสน ปรารถนาทรัพย์เนี่ยนะเหมือนคนตกงานมานานเนี่ยได้ข่าวว่ามีสมัครงานไหมรีบไปเลยยังไงเหมือนคนเดินทางกันดารเนี่ยนะมีแต่โจรมีแต่ปล้นมีแต่อดอยากมีแต่ความทุกข์ยากก็ปรารถนาที่อันปลอดภัยเหมือนคนถูกโรคครอบงาปรารถนาความไม่มีโรคนะปวดหัวเต็มทีนี่อยากหายไหมอยากนะเหมือนคนถูกเรืออับปางในมหาสมุทรปรารถนาแพใหญ่ฉะนั้น ถ้าเรือล่มไปคิดถึงแพเลยใช่ไหมจะได้ข้ามออกไปตระมานรูปโปได้แก่ผู้มีอาการรีบด่วนหรือผู้มีการสงเคราะห์อันน่าสรรเสริญโอ้ยต้องการเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆเลยพอไปเห็นก็สมใจสมใจเลยใช่ไหมเป็นยังไงพระพุทธเจ้า น่าเลื่อมใสควรเลื่อมใสมีอินทรีย์สงบมีพระไทยสงบถึงความฝึกและความสงบอันสูงสุดมีตนอันฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์สำรวมแล้วผู้ประเสริฐแล้ว <c oughs> ก็อธิบายตามลำดับบทว่าปาสาทิกังปาสาทิกกังเนี่ยแปลว่าน่าเลื่อมใสเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะนำมาซึ่งความเลื่อมใสรอบด้านไม่มีจุดไหนที่ไม่น่าเลื่อมใสเนี่ยนะเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสรอบด้าน แก่ชนผู้ขวนขวายในการเห็นพระรูปปกายเพราะความสมบูรณ์ด้วยความงดงามแห่งพระสรีระของพระองค์อันนําความเลื่อมใสามารอบด้านเพราะอะไรเพราะร่างกายของพระองค์เนี่ยประดับด้วยมหาปริศลักษณะ32อนุพยัญชนะแปมีรัศมีสั้นจากพระวรกายด้านลาวาโดยรอบและพระเกตุมาลามีรัศมีที่เปล่งเนือพระเศียรเนี่ยนะก็ หลายท่านไปเห็นเนี่ยหลวงพ่อเมตตาที่หรือไปเห็นพระพุทธชินราชเนี่ยนะเขาบอกเล่าว่าฝรั่งบางท่านเนี่ยไปนั่งดูพระพุทธชินราชได้เป็นวันๆ น, น, นั่งดูอยู่นั่นแหละเพราะว่าเห็นนี่รูปประกายรูปปั้นนะยังงดงามขนาดนี้เลยถ้าองค์จริงจะงามขนาดไหนบางท่านนี้ก็ไปนั่งอยืนดูนั่งดูหลวงพ่อเมตตาก็ดูอยู่นั่นแหละยิ่งดูยิงย่งงามเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้รูปประกายในรูปปั้นนะแล้วองค์จริงจะงามขนาดไหนแต่โยมทําบุญมาไม่ถึงหรอก กันสองพันกว่าปีแล้วนะจากคู่วิญญาณอันนั้นไม่เกิดแน่ที่จะได้อะไรนะเห็นรูปประกายที่งดงามขนาดนั้นนแล้วก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เถอะอีกไม่กี่พันล้านปีหรอกอนะมหาปุริสลักษณะ32สองก็ไปดูนะในลักษณะสูตรเป็นต้นเนี่ยกล่าวถึงพระสรีระแต่ละอย่างแต่ละอย่างของพระองค์เนี่ยว่ามีความงดงามเพียงใด ปาษาธิกัางนีเน้นไปที่รู ป, ปรกายสรีระของพระองค์เนี่ยนะบทว่าปาภาษาธนิยังความว่าที่แปลว่าควรเลื่อมใสเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเหมาะที่ควรจะเลื่อมใสหรือควรแก่ความเลื่อมใสของคนผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์เพราะพระธรรมกายธรรมกายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงนะธรรมกายสมบัติอันประดัอันประกอบด้วยจานวนพระคุณหาประมาณไม่ได้ พระธรรมกายคืออะไรคือทศพลยานส0เวสารชยานสี่อสาธานัญญาณหกอเวนยะพุทธธรรม18เป็นต้นเนี่ยนะอันก็อันนี้เป็นพระธรรมกายธรรมกายก็คือปัญญาเป็นต้นที่มีอยู่ในใจของพระองค์นั่นแหละไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่แก้วไม่ใช่แหวนเนี่ยนะมันพระธรรมกายหมายถึงพระพุทธคุณ น, นะพระพุทธคุณ ที่ที่ไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นเช่นทศพลยานเวสาสัชยานอาสาอาสาธารนยานเป็นต้นเนี่ยนะควรเลื่อมใสจริงๆะนะเพราะมีคุณธรรมสมควรแก่การเลื่อมใสะนะมีใครจะมีคุณเท่าพระพุทธเจ้าชมได้เป็นวันๆไม่จบเนี่ยนะไม่มีแล้วมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยนะมีคุณยาวเฟื่อยเลยนะอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยพุทธคุณทั้งหมดนะ่ะชื่อยาวจริงๆเลย เกิดจากชื่อตามคุณสมบัตินะชื่อตามคุณธรรมบทว่าสันติินตรียังได้แก่มีอินทรีห้าสงบนะมีอินทรีย์าสงบประงับใช่ไหมเพราะปราศจากความหวั่นไหวในอินทรีห้ามีจกักขุนศเป็นต้นไม่ใช่ภายใน3นาทีเนี้ยตานี้กลิ้งเกลือกไปตั้ง7ดรอบไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมสายตาก็ไม่ใช่กลิ้งเกลือกแบบอะไรนะแบบตาล็อกแล็กล็อกแลกล็อกแล ก, ลกไม่ใช่แบบ น, นั้นหูก็ไม่ใช่เอียงซ้ายเอียงขวาฟังโน่นฟังนี่เป็นต้นเนี่ย แสดงกิริยาแบบคนไม่สนใจที่จะฟังอะไรเลยหรือจมูกเนี่ยนะทอะไรนะจมูกฟุตฟิตเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนั้นเรียกว่าไม่สำรวมอินซี sea, หรือแม mm ้กระทั่งมือเท้าก็อะไรนะขยับสั่นอยู่นั่นแหละหนะลักษณะนี้เรียกว่าอินซีไม่สงบแต่พระพุทธเจ้าตรงกันข้ามหมดเลยสันตมานัสังได้แก่มีใจสงบประ ง, งับเพราะถึงภาวะที่มินทรี sea. คืออินรีที่6เนี่ยหมดทยศแล้ว ความพยศของใจเนี่ยนะกิเลสเนี่ยทาให้พยศราคะทําให้พยศโทสะทําให้พยศโมหะทําให้พยศพอกําจัดราคะโทสะโมหะได้ก็หมดพยศบทว่าอุตมะอุตมะทะมะทะสมะถะมนุปปตังเนี่ยนะอ่านยากงั้นนะเอาภาษาไทยก็แล้วกันความว่า ถึงโดยลำดับคือบรรลุความฝึกฝนและสงบอันสูงสุดการฝึกที่สูงที่สุดสงบที่สูงสุดนี่สงบระดับไหนกล่าวคือปัญญาวิมุตตและเจโตวิมุตติอันเป็นโลกุตระตั้งอยู่ปัญญาวิมุตตเป็นชื่อของปัญญาเจโตวิมุตตเป็นชื่อของสมาธิเนี่ยนะทั้งปัญญาและสมาธิระดับโลกุตระนี่ตั้งอยู่ปเป็นผู้ที่ ฝึกฝนแล้วก็ถึงความสงบระงับที่สูงสุดเนี่ยนะสงบด้วยโลกุตระที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยสงบระดับนั้นทันตังก็คือพระองค์นี้ชื่อว่าฝึกกายฝึกกายก็คือฝึกกายยะสมาจารบริสุทธิ์ดีไม่เหมือนคนที่ไม่ฝึกกายใช่ยุงกัดก็ตบเลยยังไงเียไม่ได้ฝึกมาก็เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเพราะไม่ทุศมสินทางร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียว ร่างกายของพระองค์เนี่ยนะไม่มีการเล่นคือไม่มีการขนองมือขนองเท้าเป็นต้น น, นะคนขนองมือเป็นยังไงเคยเห็นไหมเห็นไนหะนั่งมือไปเขยา่ามือไปสัน่นมือไปหักมือไปดีดนิ้วมือไปตบมือไปก็ไปเรื่อยอย่า ง, งนะี้นะพวกนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ฝึกมือพวกขนองเท้าเป็นยังไงอันนะก็เห็นชัดแล้วเนาะบทว่าคุดตังคุดตังนี้แปลว่าคุ้มครองวาจาเพราะมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ดี เพราะไม่มีการเล่นโดยไม่มีวาจาไร้ประโยชน์เป็นต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีคําใดที่ไม่มีประโยชน์คำใดที่ไร้ประโยชน์ไม่มีเลยในพุทธพจน์ทุกคํามีประโยชน์หมด น, น, นะนะบทว่ายะตินรยังได้แก่ชื่อว่ามีอินทรีย์อันสํารวมแล้วอินทรีย์ของพระองค์นี่สำรวมยังไงก็คือด้วยการประกอบฤทธิ์อันเป็นของพระอริยะเพราะมีมโนจารบริสุทธิ์ด้วยดีและด้วยอํานาจมนิทรีย์ เพราะมีความวางเฉยในการไม่ขวนขวายและการไม่พิจารณาอันนี้หมายถึงพระองค์เนี่ยนะมีอริยริตอริยริตนี่เป็นยังไงอริยริตนี่ริศเฉพาะของพระอริยะท่านเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลท่านบอกว่าปฏิกูลได้มานสิการว่าปฏิกูลได้ทันทีมองสิ่งที่คนว่าปฏิกูลท่านบอกว่าไม่ปฏิกูล เห็นสิ่งที่ทั้งปฏิกูลทั้งไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลก็ได้เห็นสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลก็ได้หรือดํารงอยู่ด้วยฉลังคู่เปรกขาก็ได้แปลว่าประสงค์จะนึกอะไรก็นึกได้หมดเลยเนี่ยนะไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องกลางกันสําหรับท่านอันนั้นเขาเรียกว่าฤทธิ์ของพระอริยะเนี่ยนะถ้าฤทธิ์ของปุถุชนก็คือการเหาะเป็นต้นเนี่ยนะแต่แต่นี้เน้นที่อริยะฤทธิ์เนี่ยนะบทว่านาคังนาคเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐเนี่ยนะเพราะเหตุนั้น คำว่านาคคืออะไรคือการไม่บรรลุอำนาจฉันทาคติเป็นต้นคืออคติบางท่านแปลว่าลำเอียงเนี่ยนะไม่ลำเอียงด้วยความชอบไม่ลำเอียงด้วยความกโกรธไม่ลำเอียงด้วยความหลงไม่ลำเอียงด้วยความกลัวไม่รู้อำนาจอาคติทั้งหลายคือไม่เป็นไปคตนะว่านี้พวกของเราไอ้นี่ศัตรูเราเป็นต้นเนี่ยนะจะไม่มีไม่มีเอ็เอียงไปแบบนั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐ หรือนาคหมายถึงกิเลสมีราคะเป็นต้นที่ละได้แล้วเนี่ยไม่กลับเกิดอีกคือไม่หวนกลับมากิเลส ท, ที่เป็นอันสิ้นแล้วเป็นอันสิ้นเลยไม่มีย้อนกลับไปกลับมาอีกไม่เหมือนกับปุตุชนทั้งหลายใช่ไหมโอ้เสียใจคิดจนสบายใจนะได้เหตุไม่สบายใจอีกแล้วนอย่างโกรธในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก้ปัญหาจนเลิกโกรธเอาไปเอามาโกรธต่ออีกไง แต่พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะไม่หัวนกลับไปหาราคะโทสะโมหะอีกต่อไปและชื่อว่านาคเพราะอะไรเพราะบาปแม้อะไรก็ไม่ทำไม่ทําบาปแม้โดยประการทั้งปวงไม่มีเหตุผลจนสมควรต้องทําบาปไม่มีไม่มีเหตุผลจนต้องคิดเป็นอกุศลไม่มีสรุปว่าไม่มีเหตุผลที่จะคิดเป็นอกุศลพูดเป็นอกุศลทําอะไรด้วยบาปอกุศลไม่มีเลยสําหรับนาคคือผู้ประเสริฐที่เป็นพระอรหันเนี่ยนะ และหน้าคือไม่ไปสู่พบใหม่ น, นะเคยเห็นพระพุทธเจ้าไปปรากฏตัวที่พบอื่นไหมสมมติว่าตอนนี้นะพระองค์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าประทรับอยู่ที่ไหน น, นะก็รูปปัะขันก็อยู่ตามเจดีต่างต่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับไม่มีไม่มีส่วนเหลืออธิบาย ทบทวนอีกนิดหนึ่งนะอีกในหนึ่งบอกว่าปาสาธีกลางนี้ในอธิการนี้ท่านแสดงถึงความสําคัญของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยรูปปัจจัยด้วยบทว่าปาสาธนีอย่างนี้แสดงถึงความสําคัญของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยธรรมกายธรรมกายคืออะไรทศพลยานสิบเวสารชยานสี่อาสาธนัญยานหกอาเวนิยะพุทธธรรม18เป็นต้นด้วยบทเป็นต้นว่าสันดินดระยังนี้แสดงถึง ความสําคัญพระพุทธคุณที่เหลือก็คือพระคุณที่เหลือทั้งหมดนะนะเพราะเหตุ น, นั้นเพื่งทราบว่าท่านประกาศความสําคัญของพระผู้มีพระภาคเจ้าแก่เหล่าสัตว์โดยสิ้นเชิงในโลกสันนิวาตที่เลื่อมใสหรือถือเอาประมาณเนี่ยสีส่จำพวกโลกนี้เนี่ยนะมีบางคนเนี่ยถือรูปเป็นประมาณจริงๆริงนะบางพวกนี้เห็นรูปนะจึงเลื่อมใสบางพวกนี้ต้องต้องมีชื่อเสียงจึงเลื่อมใส บางพวกนะต้องเศ้ามองจริงๆจึงจะเลื่อมสายบางพวกเลื่อมสายในธรรมอย่างเดียวบางพวกก็บวกๆกันหลายอย่างพวกที่ถือรูปแล้วเลื่อมสายในรูปเป็นพิเศษใครที่เห็นรูปของพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมสายไม่มีเวน้นแต่เดรัทธีนี่นะถ้าเดรัทธี น, น, นี่คือคื อ, ค, อคิดหาเรื่องพระพุทธเจ้าตลอดใช่ไหมเห็นพระพุทธเจ้างามมากเสียใจมากมนุษย์จะหาเรื่องได้ยังไงนะจะตําหนิในเรื่องรูปก็ตําหนิไม่ได้พวกพวกนี้เดรัทธีนี่เห็นแล้วไม่ชอบ แต่พูดถึงคนที่มีศรัทธาสแสวงหารูปเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเนี่ยพระรูปปัจกายของพระพุทธเจ้าน่าเลื่อมใสที่สุดแล้วพูดถึงชื่อเสียงชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยโด่งดังถึงไหนในโลกพร้อมทั้งเทวโลกขณะเดียวกันพระองค์ก็มีเสียงที่ไพเราะมีเสียงประกอบด้วยองค์8พูดถึงความเศร้ามองละ่ะเศร้ามองในเรื่องผ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแต่ใช้ผ้าบางสกุลคือใช้ผ้าที่เอามาจากที่เขาห่อศพเนี่ยมาหนุ่งมาห่ม แล้วพระองค์เนี่ยนะเคยมีอาหารที่เป็นถาดทองคํเนี่ยมาถือบาทดิ น, น, เ, นเคยไปไหนมีคนแวดล้อมก็มาเดินเท้าเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยเห็นความเศร้าหมองของพระองค์แล้วก็เห็นธรรมะที่มีอยู่ในพระองค์ว่าพระองค์นี้เคารพธรรมจริงๆเพราะในบททั้งหมดเหล่านี้ที่บอกว่าหน้าเลื่อมใสควรเลื่อมใสมีอินทรีสงบมีพระไทยสงบ ถึงความฝึกและถึงความสงบอันสูงสุดมีตนอันฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์สำรวมแล้วผู้ประเสริฐแล้วนี่นะผัสใครที่เห็นเนี่ยที่ไม่เลื่อมใสไม่มีอันนี้สําหรับผู้ที่มีศรัทธานนะแต่ถ้าพวกตาบอดพวกหูหนวกพวกมิจฉาทิฐิพวกนี้ไม่เอาพวกนั้นเป็นประมาณก็ท่านพะยะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอย่างนั้นกําลังเสด็จไปในถนน ก็ร่าเริงเลยนะร่าเริงก็ปีติโสมนัตจินดีว่านานจริงหนอเราจึงได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้านานไหมที่ได้เห็นท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าตอนต้นเลยคือเมื่อแสนกลับที่แล้วแต่พลองค์กันนะแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนี้ก็เห็นแต่พระเรียกว่าเห็นแต่กระดู ก, กว่างั้นเถอะมาพระพุทธเจ้าองค์นี้เพิ่งมาเห็นรูปประกายอีกครั้งหนึ่งของเรานี่ก็น่าน่าคิดเงนะตอนนี้ก็เห็นแต่พระอะไร สรีระธาตุเนี่ยเป็นเม็ดๆอยู่นั่งข้างหลังข้างหลังโยมนั่นแนะดูเถอะเสรจแล้วสรีระกายเมื่อไหร่ก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ดีใจมากวันนานจริงนเนอะเราจรึงได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดถึงนะถ้าเราเห็นเราก็ปีติเหมือนกันเนาะท่านก็มีสรีระอันประกอบไปด้วยปีติหประการเนี่ยนะคุตตกาปีติอุเพงคาปติพรณนาปีติเป็นต้นเนี่ยครอบงำตลอดเวลา ดวงตาก็นิ่งเพราะปีติทราบซ่านน้อมสิริระลงตั้งแต่ที่ที่ได้เห็นแล้วพอเห็นปั๊บก้มลงกราบเลยนะค่อยๆไปก็ยังลงสู่ท่ามกลางรัศมีพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจมลงในพระรัสมีนั้นคือรัศมีนี่สั้นออกจากตัวประมาณวานหนึ่งอ่ะนะก็ไปกราบที่เท้าใช่ไหะนั้นก็จมลงไปในรัศมีเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมด้วยเบญจางครพระดิ์กราบด้วยองค์ห้าแบบที่เรากราบนี่แหละ นวดฝันพระยุคลบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าจุมพิษเนี่ยนะแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านพะ hya นีหมอบลงแทบพระยุคคลบาตคือเท้าทั้งคู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิดนี่ก็อธิบายคำศั์อธิบายสั์ก่อนนะขอพระสุคตเนี่ยสุขตเนี่ยสุขโตเนี่ยแปลว่าอะไรขอพระสุคตเนี่ยเราเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระสุคตเนี่ยนะ บทว่าสุขโตสุขโตเนี่ยมีหลายความหมายตรงนี้ยกมาสี่ตัวอย่างชื่อว่าสุขคดหนึ่งพราะเสด็จไปงามเสด็จไปงามอย่างหนึ่งนะสองก็เสด็จไปสู่ที่อันงามเสด็จไปโดยชอบแล้วก็มีพระวาจาชอบมาดูนะตรงนี้ท่านแบ่งให้ดูเป็นตัวอย่างสี่ในถ้าเป็นที่อื่นก็แบ่งนยะมากกว่านี้จริงอยู่การไปท่านเรียกว่าคตะคโตเนี่ยแปลว่าไปนะคตะศัพท์นี้แปลว่าไป คติก็คือที่ไปสุขโตก็คือผู้ไปดีนะพระพุทธเจ้าก็คือไปดีก็การไปนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้างามบริสุทธิ์ไม่มีโทษพระพุทธเจ้านี่ไปดีจริงๆเลยเป็นการไปแบบไม่มีโทษอ่ะพระพุทธเจ้าไปแบบไม่มีโทษไปไหนไปอย่างไรไปด้วยอะไรคนบอกว่าไปอ่ะคืออะไรไปด้วยอะไรนั่นแหละก็คือไปด้วยอริยมรรค คนไปดีจริงๆเนี่ยต้องไปด้วยมรรคแจึงจะเรียกว่าไปดีไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากามมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วที่ไปควรจะเป็นที่ไหนก็คือพระนิพพานใช่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอ่ะเสด็จไปสู่ทิศอันเกษมไม่ติดขัดด้วยการไปคือไม่ติดขัดด้วยอริยมรรคนั่นนะอาศัยอริยมรรคเป็นเครื่องไป แม้คนอื่นพระองค์ก็ให้ดำเนินไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าสุคตพระองค์นี้ไปด้วยอริยมรรคแล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นไปตามอริยมรรคด้วยเนี่ยะแนะนำให้ผู้อื่นไปตามมรรคแดด้วยมรรค8เนี่ยนะย่อลงอมาก็คือความดีทางกายวาจาและใจพระองค์นี้เป็นผู้ไปด้วยดีด้วยกายวาจาใจขณะเดียวกันพระองค์ก็ให้ผู้อื่นไปไปอย่างดีด้วยกายวาจาและใจพันสาวกของพระองค์จึง ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทุกเป็นต้นก็เลยเรียกว่าสุขคตเพราะเสด็จไปงามไปงามก็คือไปตามมรค8หรือไปด้วยมรค8นี่แหละไม่ใช่ถ้าไม่ไปด้วยมรคแปดไปยังไงก็ไปหามิจฉาทิฏฐิไปด้วยอกุศลจิตไปเพื่อเพ้อเจร์เรนี่ยนะไปหาที่เพอ้อเจอร์เป็นต้นพวกนี้ไปไม่ดีไปไม่งามไปไม่สวยเนี่ยนะเพราะถ้าตายแล้วไปแย่ไปทุกขติแน่คันเนี้ยไม่ใช่สุ ข, ขติใช่ไหมไม่ใช่สุ ข, ขโตน่ ต่อไปในที่สองบอกว่าพระองค์เนี่ยที่ว่าไปดีเนี่ยไปไหนก็คือไปสู่ที่ที่ดีที่ดีคือที่ไหนอมตะนิพานเพราะฉะนั้นชื่อว่าสุคตเพราะเสด็จไปสู่ที่อันดีคือที่ที่ปราศจากกองทุกเลยจึงเรียกว่าที่ดีที่ใดมีปัญหามีความสับสนวุ่นวายมีแก่การทะเลาะเบาะแวงกันมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงไปหมดเลยที่ตรงนั้นเราจะเรียกว่าที่ดีไหม ไม่ดีฉันใดสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่เป็นไปกับชาติชรามรณะซึ่งตร ง, ตรงกันข้ามกับพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นที่ดีจริงๆเพราะไม่เจือด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัตและอุปาญาพระองค์ไปสู่พระนิพพานอันนี้จึงชื่อว่าไปสู่ที่อันดีไปที่ดีจริงๆแล้วคนที่ไปดีอีกในหนึ่งนะเขบอกว่าชื่อว่าสุคดเพราะเสด็จไปชอบไปดีนี่ไปยังไง ไปแล้วไม่ต้องหัวนกลับมาหากิเลสที่พระองค์ประหารแล้วด้วยมักนั้นๆั้เรียกว่าถ้าไปดีไปด้วยมักเนี่ยนะถ้าไปอย่างนั้นจริงๆต้องไม่กลับย้อนมาหากิเลสอีกต่อไปดังที่พระองค์ตรัสว่าชื่อว่าพระสุคดเพราะไม่มาอีกไม่กลับมาไม่หัวนกลับมาสู่กิเลสที่พระองค์ประหารด้วยโสดาปฏิมักเช่นว่าโสดาปฏิมักของพระองค์เกิดแล้วเนี่ยนะพระองค์เจริญได้โสดาปฏิมักเกิดไม่กลับมาหา สกายะทิถิวิกจิกิจชาสีลัพัตตปรามาตอีกเลยสกัตาคามิมัคของพระองค์เกิดขึ้นไม่ย้อนกลับมาหากามราคะและปฏิฆะอย่างหยาบอนาคามีมัคของพระองค์เกิดแล้วไม่ย้อนกลับมาหากามราคะและพยาบาทอย่างละเอียดอรหัตตมัคเกิดขึ้นแล้วไม่ย้อนกลับมาหารู ป, ปราคะอรู ป, ปราคะมานะอุทจวิชากิเลสทุกชนิดไม่ย้อนกลับมาอีกเลยจึงเรียกว่าผู้ไปดี ไปแล้วไม่ย้อนกลับมาหา อ, อากุศลไม่กลับมาหากิเลสคําว่ากิเลสเนี่ยเป็นชื่อของความเศร้าหมองอ่ะนะเรียกว่าไปแล้วไม่มีคําว่ากลับมาเศร้าหมองอีกนะมัมคุณมองใจเป็นต้นไม่เหมือนวพวกเราทั้งหลายพูดไปเสร็จแล้วก็มานั่งเศร้าใจวันหลังพูดทําไมอ่ะนะไปทำอะไรสักอย่างเสร็จแล้วมานั่งเครียดวันหลังเราทําไปทําไมโดยมากเนี่ยเป็นอย่างนั้นจรงแก้ไปแก้มาแล้วมานั่งเศร้าใจในวันหลังพวกนี้ไปไม่ดีไปไม่ดีก็หมายความว่าไปไหนแล้วก็ ไปทาไมเนี่ยไปแล้วมันได้อะไรก็กลับมาเศร้าใจนะพระพุะองค์ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าเดือดร้อนในวันหลังอีกโดยประการทั้งปวงเพราะกิเลสที่เป็นเหตุให้เศร้าใจเป็นต้นกำจัดได้หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งเยนะสุขโตแปลว่าสัมมาคตัตาเพราะเสด็จไปคือดำเนินไปด้วยดีด้วยสัมมาปฏิบัติแม้ในการกำหนดทั้งสามอย่าง อนะตีสุปิอวัฒ า, า, าสุเนี่ยนะหมายคาอว่าไปเพื่อประโยชน์3ประการเนี่ยนะจริงอยู่ชื่อว่าสุคดเพราะเสด็จไปโดยชอบแม้ด้วยอาการอย่างนี้ว่าพระองค์ทรงบรรลุที่สุดยาตถะจริยาถึงที่สุดโลกตถะจริยาถึงที่สุดพุทธ ะ, ะจริยาอาวัฒสุเนี่ยนะอวัฒ า, าสุเนี่ยที่บอกกําหนดทั้ง3อยา่างนี้หมายถึงจริยาสาม พระองค์นี้ไปจนถึงที่สุดสามประการคือยาตตถจริยาโลกตถจริยาพุทธตะจริยายาตตะจริยาเนี่ยคือการประพฤติเพื่อสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่ในด้านการสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะสงเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์จริงๆโลกตถจริยาสงเคราะห์แก่สัตว์โลกก็สงเคราะห์อย่างเต็มที่ถึงที่สุดเลยแหละพุทธตะจริยาข้อปฏิบัติใดที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติ ข้อปฏิบัตินั้นพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ทั้การปฏิบัติทั้งสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โลกสงเคราะห์แกความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำกิจเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แล้วกว่าจะได้ทำคุณธรรมเหล่านี้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ก็เพราะพระบารมี30ทุวนบารมีเหล่านี้เนี่ยนะเอาจิงตั้งแต่เมื่อไหร่จาเดิมแต่ ท่าบาทมูลเนี่ยบาทมูลก็คือเท้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็คือก้มลงแทบ พ, พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรถวายชีวิตนั้นแด่พระพุทธเจ้าตอนหลังพระองค์ก็สมาทานบารมี30มสิบทัดเขาบอกว่าในบรรดาคนที่สมาทานศีลถึงกับแผ่นดินไหวเนี่ยคือพระโพธิสัตว์ น, นี่แหละท่านสมาทานบารามีสิบจนแผ่นดินไหวหม้อแตกหมดอนะตอนนั้นเขาบอกว่าพระ กำลังถวายอาหารพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆท่านพิจารณาบารมีสมาทานบารมีเสร็จแผ่นดินไหวเนี่ยหมอ้อถ้วยโถโอชามกระทบกันแตกไปเยอะเลยนะท่านเป็นคนที่สมาทานศีลถึงขนาดสมาทานระดับแผ่นดินไหวของเราเนี่ยนะสมาทานเท่าไหร่นะมั่นแค่ไหนก็เดินตามรอยท่านกันแล้วกันนะเนาะทีนี้การสมาทานท่านก็ประพฤติอย่างจริงจังตราบเท่าถึงมหาโพธิมณฑล มนทนนี่แปลว่าอะไรนะโดยรอบนะมนทนแห่งต้นโพก็คือรอบบริเวณต้นโพสิ่งที่พระองค์ทำนับตั้งแต่เ ท, ท้าของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรจนดําเนินมาถึงเดินขึ้นสู่ลานโพที่มนทนเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์ทำนี้เฉพาะหิตะสุขะแก่โลกทั้งปวงหิตะเนี่ยนะฮิตะฮิตาย่าสุขาย่าเนี่ยหิตะนี้เป็นชื่อของ สิ่งใดที่เกื้อกูล น, นะอัธายะจะหิตายะจะสุขายะจะเนี่ยนะอัธายะจะอัถก็คือประโยชน์เนี่ยนะหิตาก็คือเกื้อกูลสุขะสิ่งที่เกื้อกูลก็คืออริยมรรคสิ่งที่เป็นสุขก็คืออริยผลทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทำทุกอย่างเพื่อมรรคเพื่อผลแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่แทบเท้าพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรเมื่อสีอสงไขยแสนกับ ตราบเท่าถึงต้นโพอันนี้เพื่อมรกผลแก่สัตว์อื่นจริงๆถามว่าทำไมเพราะถ้าพระองค์ประสงค์จะบรรลุเป็น ร, ร้าหันก็บรรลุที่แทบเท้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรแล้วแต่สละอรหัตผลแค่เอื้อมอันนันออกไปเนี่ยนะยอมทนทุกทรมานอยู่ในวัฏฏะอีกสอสงไขยแสนกับเพื่อให้สัตว์อื่นได้บรรลุมรทผลตามปณิธานที่ว่า ประโยชน์อะไรด้วยชายมีพลังเช่นเราจะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมมันแต่เราต้องพาคนอื่นข้ามด้วยของเราก็ช่วยตัวเองให้มันรอดก่อนเถอะแล้วค่อยว่าอีกทีอย่างงี้ว่าบางทีตัวเองก็ยังเอาไม่ค่อยรอดเลยไปเที่ยวชวนคนอื่นคนอื่นก็ารำคาญไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะต้องระวังให้ดีเหมือนกันหลังจากนั้นนะพระองค์ก็เสด็จคือดําเนินไปในดําเนินไปด้วยการเป็นไปใหญ่ในธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุ คือหลังจากที่พระองค์บรรลุอริยสัจเนี่ยบรรลุด้วยอะไรบรรลุด้วยมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางไม่เคร่งและก็ไม่หย่อนใช่ไหมไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปใช่ไหม น, นี้ว่าเองนะ <c oughs> ไอ้คาว่ามัชชิมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไม่ใช่บางคนก็บอกว่าอย่าเคร่งเกินไปอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปสิเอาให้มันพอดีพอ ด, พอดีพอดีแปลว่าอะไรแปลว่าถูกใจ นะถ้าทำแล้วถูกใจนั่นแะหละเรียกว่าพอดีไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นบางคนบอกท่านจะรักษาศีลแข็งไปทำไมบางคนอันนั้นก็ย่อนไปเอาให้พอดีพอดีสิกำลังกันไม่รู้เอาอะไรเป็นเครื่องวัดสรุปว่าเอาใจข้าพเจ้าเป็นเครื่องวัดใช่ไหมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้หมายถึงเอาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิรู้อะไรรู้อริ ย, ยสัจสัมมาสังกัปปะ กุศลสังกัปปะสสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริตสสัมมากัมมันตะเว้นจากกายทุจริตสสัมมาชีวะเว้นจากอาชีพที่ประกอบด้วยกายทุจริตและวจีทุจริตสัมมาวายมะคือสัมมาประธานสสัมมาสติคือสติประฐานสสัมมาสมาธิคือฌานสี่องค์มัดแปประชุมกันอย่างนี้แหละเรียกว่าสายกลางพอดีเป๊ะเลยพอดีแค่ไหนสมควรแก่การตรัสรู้อริยสัจได้เพัน มัชฌิมาปฏิปทานนี้ก็คือโพชงขภาวนาโพเออโพธิอังคภาวนาหมายคือว่าการเจริญองคุณหรือองค์แห่งธรรมะที่ทำให้ตรัสรู้อันยอดเยี่ยมไม่ข้องแวะส่วนสุดข้อปฏิบัติที่ที่ตรงจริงๆนะนะไม่ไม่ติดสัสตถทิฏฐิไม่ติดอุเฉท ท, ทิฏฐิไม่ติดการมสุ ข, ขลิกานุโยกไม่พัวพันกับอัตตากิรมาฐานุโยก ปฏิบัติด้วยสัมมาปฏิบัติอันไม่ใช่วิสัยในสัตว์ทั้งปวงสิ่งที่พระองค์ทํำเนี่ยนะไม่ใช่ว่าใครทุกคนก็จะทําได้อ่า น, นะทำได้เฉพาะพระองค์เพราะอยู่ในวิสัยของพระองค์อันนี้คําว่าสุขคตนันเนี่ยโอไปดีนี่ไปยังไงสรุปว่าไปดีนี่ไปยังไงไปโดยตั้งความปรารถนาเพื่อจะสงเคราะห์สัตว์บําเพญ็ญบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมาภิปรมีสิบมหาบริจักห้าทิฏฐานธรรมสีจริยาสามเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วการดําเนินการปฏิบัติของพระองค์ก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่แว ส, สตะทิฏฐิอุชเชท ท, ทิฏฐิไม่ข้องแวะข้อปฏิบัติที่เป็นการมสุขคลิกานุโยคอัตกิลมัทานุโยกปฏิบัติด้วยมักมีองค์8จนสามารถตรัสรูอริยสัจอันนี้ความหมายคําว่าสุขคดเนี่ยไปแบบนี้ไปดีจริงๆเนี่ยนะไปแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นตรัสรูุได้หาประมาณไม่ได้ อันนี้ก็ยังไม่พอนะยังก็ยังไปดีไม่เต็มอีกก็ยังมีไปดีอีกก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะชื่อว่าสุขศเนี่ยเพราะตรัสโดยชอบสุขตะสุขโตแปลว่าพูดถูกต้องอนะพูดไม่ผิดพลาดพูดไม่ผิดเพี้ยนเนี่ยนะคือตรัสพระวาจาเฉพาะที่ควรวาจาที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยนะใช้เฉพาะวาจาที่สมควร และก็พูดในเหตุที่สมควรฐานะแปลว่าเหตุพูดในฐานะหรือได้เหตุได้ผลที่สมควรจึงแสดงออกไปเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าสุคตานั้นคำว่าสุคตเนี่ยพูดถูกต้องแล้วก็ใช้คำพูดที่ถูกต้องพูดในเวลาที่ถูกต้องอันนั้นแสดงว่าพูดคำพูดที่ถูกนี่ต้องพูดในเวลาที่ที่ถูกด้วยคำพูดถูกแต่พูดผิดเวลาก็ถูกด่ากลับมาไงอนน้ เพราะว่าไม่ไม่เลือกเวลาใช่เคยเคยสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจริงแต่พูดผิดเวลาไปหน่อยก็เลยโดนกลับมาเคยเสนองานบางงานขึ้นไปเนี่ยนะที่จริงมันเป็นเรื่องต้องผ่านอยู่แล้วโดยธรรมดามันยังไงมันก็ต้องผ่านอยู่ดีแต่ไปพูดตอนที่เจ้านายอารมณ์เสียก็เลยสั่งยุบไปหมดทุกเรื่องเลยนะก็เป็นยางไงเลยจบเลยั <laughs> นก็ไอคพูดที่ดีเนี่ยนะอะไรที่ดีก็ต้องดูเวลาเหมือนกันในฐานะที่ สมควรแม้กระทั่งผู้ธรรมะก็เหมือนกันเนี่ยนะจะต้องใช้คำที่ที่เหมาะที่ควรแล้วก็หาเวลาที่สมควรเนี่ยนะเช่นควรแค่ไหนก็เนี่ยช่วงสงการอย่างเงี้ยแหละสมควรน ะ, ะสมจริงดังพระดํารัสที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเราตถาคตนี้เป็นกาลวาทีกาละวาทีนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าพูดถูกกาละวาทีนี้พูดถูกกา ภูตวาทีต้องพูดสิ่งที่เป็นความจริงภูตวาทีนะภูตะตัวนั้นแปลว่าความจริงอัถวะทีพูดตามอัถะหมายคำว่าพูดถูกอัถะเนื้อหานี่สมบูรณ์จริงๆธรรมวาทีพูดตามธรรมอัถะนี่แปลว่าผลก็ได้พูดถูกผลธรรมวาทีพูดถูกเหตุวินัยวาทีพูดตามสังวรวินัยพูดตามปหานะวินัยสติวินัยขันติวินัยเป็นต้นเนี่ยนะ คือพูดตามสังวรวินายประหาะวินายเป็นต้นพูดวาจาที่มีหลักฐานคำว่าหลักฐานก็คือเป็นคำพูดที่อ้างได้มีที่มาที่ไปแล้วก็เป็นคำพูดมีที่อ้างแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์ตามการอันสมควรไม่ใช่พูดไปเรื่อยพูดไป3าวัน3ามคืนยังไม่รู้ว่าพูดอะไรเลยนะที่ก็ว่าไปเรื่อยขึ้นเรื่องหนึ่งต่ออีกเรื่องหนึ่งขึ้นเรื่องหนึ่ง ไม่รู้มันจบที่ไหนกน็ไม่รู้ว่าไปเรื่อยอย่างนี้ก็มีซึ่งพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสรุปว่าคาพูดที่ถูกต้องเนี่ยนะต้องพูดถูกการพูดคำจริงพูดมีผลพูดตามเหตุพูดอิงสังวรวินัยปหานวินยันยพูดเป็นวาจาที่อ้างอิงได้แล้วก็จบลงในเวลาอันสมควรไม่พร่ำเพื่อ อีกในหนึ่งพระองค์ตรัสไว้อีกว่าวาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของชนเหล่าอื่นพระพุทธเจ้าไม่พูดวาจาเช่นนั้นจริงก็ไม่จริงไม่มีประโยชน์คนฟังแล้วเครียดเลยนะพระองค์ไม่ตรัสแน่นอนก็ดูในอะไรนะอาภัยราชกุมารสูตรที่พระองค์การแสดงถึงวาจาของพระองค์นะ เดี๋ยวทํามาพูดตรงนี้หมดเดี๋ยวถ้าจะหมดเวลาสักก่อนนะ่ต่อไปเลยดีกว่าชื่อว่าสุคตเนี่ยนะเพราะเพราะอะไรเพราะตรัสคือพูดชอบพูดถูกต้องจริงๆเลยจึงชื่อว่าสุคตทีนี้มะเอะพระพูดพระสุคตนี่ไปยังไงมายังไงก็มาจากคําว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าปโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตปโปรดแสดงธรรม ที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์สิ้นการละนานเถิดก็เลยบอกว่าบทว่ายังมะมัสะทีคารตังหิตายสุขายะความว่าการแสดงอ้างถึงทรรมใดไม่ใช่กรรมนะถึงทรรมใดพึงเป็นไปเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาญ วิโมกเป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อความสุขที่จะเพึงบรรลุฌานวิโมกมรักผลเป็นต้นนั้นน่ะแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานได้โปรดเถอแสดงธรรมเพื่อให้ข้าพระองค์ได้บรรลุเลยว่างั้นทีนี้พระองค์ตอบว่าอย่างไรในข้อ49หน้า126พระองค์เมื่อพระพาหิยะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภาหยะ เวลานี้ยังไม่สมควรก่อนเรายังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเพื่อบินทบาทอยู่แปล ว, ว่าตอนนี้เวลาบินทบาทไม่ใช่เวลาแสดงธรรมแม้ครั้งที่สองพายะธารุจิรยะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยาก ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ที่จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานเถิดเนี่ยหมายคําว่าแหมคําอ้างเนี่ยนะอ้างสมควรจริงๆนะไม่รู้ว่าพระองค์ตายเมื่อไหรข้าพระองค์ก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่โปรดแสดงธรรมเถอะได้เวลาแล้วเหมือนนพระองค์ก็ห้ามครั้งที่2ก็ขออีกครั้งที่สาม ครั้งที่สามพาหิยะธาริยะก็ได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเป็นไปแห่งอันตราย er แก่ชีวิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีความเป็นไปแห่งอันตรายแก่ชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีรู้ได้ยากแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงคำแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงคำเพื่อประโยชน์เ euh, กื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิด นนะทีนี้ถามว่าทาไมพระองค์จึงห้ามเมื่อกี้ที่พระองค์บอกว่ า, าไม่ใช่การเนี่ยนะคำว่าไม่ใช่การเนี่ยหมายคือว่าตอนนั้นอินทรีย์ของ พ, พระพาหยะนี่ยังไม่แก่กล้าพอที่จะฟังแล้วบรรลุร่างกายของพาหยะก็กระสับกระส่ายอยู่เพราะว่าเดินทางมาหน็ดเหนื่อยใช่สภาพจิตก็ถูกปีติเป็นต้นครอบงำแปลว่ายัง จิตใจไม่ยังไม่ปกติดีเท่าไหร่เนี่ยนะพระองค์ก็เลยบอกว่ายังไม่ใช่เวลาแต่ว่าห้ามสาครั้งนี้ได้เวลาเลยราณนั้นแต่ท่านก็อ้างดีนะในหน้าหนึท่านบอกว่าแม่อันตรายแห่งชีวิตของพระพุทองค์ก็รู้ยากอันตรายแห่งชีวิตของข้าพเจ้าของข้าพระองค์ก็รู้ยากสรุปว่าชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่แน่ชีวิตข้าพระองค์ก็ไม่แน่เพราะอันตรายแห่งชีวิตนี่เยอะเหลือเกินเนี่ยนะชีวิต ตันตรายยานังเนี่ยนะ <c oughs> เ, เขาบอกว่าอันตรายแห่งชีวิตต่อการหมุนเวียนความเป็นไปแห่งชีวิตจริงอย่างนั้นชีวิตคือความเป็นไปเนี่ยนะเนื่องด้วยปัจจัยเป็นอันมากชีวิตนี่ชีวิตเนื่องด้วยอะไรบ้างเนื่องด้วยมหาภูตรูปสี่ถ้ามหาภูตรูปมันแกล้งกันเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนอีกตายแน่ชีวิตเนื่องด้วยอาหารถ้าขาดอาหารก็ตายชีวิตเนื่องด้วยนนลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจมันมีปัญหาก็ตายอีกชีวิตเนื่องด้วย อะไรนะวิญญาณจุติจิตเนื่องด้วยวิญญาณใช่ไหมถ้าจุติจิตทํากิจเข้าตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยเนื่องด้วยปัจจัยมากและอันตรายแห่งชีวิตนี่ก็เยอะเหตุทําให้ตายเนี่ยอะไรบ้างหายใจยังตายเลยนะกลัวกันหน้าดูเลยกลัวหายใจรดกันแล้วจะตายนี่นะปัเหตุที่ปัจจัยแห่งความตายมันเยอะอย่างนี้พระองค์ก็เลยตรัสว่าอัตเชวะกิจมาตพังโกนชัญญามรนังสุเวยนาหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา เขาบอกว่าความเพึงรีบทําความเพียรในวันนี้แล้วก็คือรีบเจริญสัมมารประทาน4ตอนนี้แล้วใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งนะโดยพระพุ่งนี้มาฟังครบถ้วนหรือเปล่านะเพราะว่าความพัดเพี้ยนด้วยมรรตยูคือความตายที่มีบริวารแห่งความตายมากย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอาอะไรมามาอ้างว่าเราจะไม่ตายเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนะเป็นสถานที่เราตายหมดเลย เขาบอกว่าถ้าอยุ่มากๆแล้วที่ไหนคือแดนประหารรู้ไหมห้องน้ำเนี่ยนะระวังให้ดีนะห้องน้ํายังเป็นแดนประหารเลยจะกล่าวไปใหย่ถึงที่อื่นเนี่ยนะบนถนนเป็นต้นเนี่ยก็โอ้ที่ไหนที่สัตว์ไม่ตายบ้างนี่สงกรานนี้ตายไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ตัวเท่าปีที่แล้วหรือเปล่าปีที่แล้วห้าร้อยกว่าใช่ไหมปีนี้ก็เป็นร้อยไปแล้วอะ่ะกว่าจะครบสามสี่วันเนี่ยแต่ว่าตอนที่ฟังทำนี่เราปลอดภัยแน่นอนนะ ตอนเลิกไม่แน่จะไปเจอขี้เมาเข้าลําบากใจแน่เพราะว่าจะต้องระวังเหมือนกันเนี่ยนะคือไอเราเนี่ยระวังตัวเองนี่เป็นเรื่องที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับคนพ่านทั้งหลายคนเมาทั้งหลายเราก็ต้องระวังภายนอกด้วยระวังภายนอกระวังภายในนี่ยแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องระวังใจด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยไอโรคกิเลสนี่มันติดเชื้อง่ายกว่าโรคอื่นเยอะเนี่ยนะเห็นเขาโกรธเราก็แบ่งเขามาโกรธบ้าง เห็นเขาไม่พอใจเอามั่งเอามัง <g 00> เป็นตนพระน โ, applying. โรคคือกิเลสเนี่ยมันก็ติดแทรกกันง่ายสรุปว่าอันตรายแห่งชีวิตเนี่ยก็รู้ได้ยากนะอันตรายของชีวิตนี่มีมากเหลือเกินปัจจัยแห่งชีวิตที่จะให้ดำเนินไปได้นี่ก็เยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์แสดงธรรมให้สงเคราะห์ข่ า, ขาพระองค์เถอเหตุผลที่บอกว่า ท่านเนี่ยปรารถนาจะฟังอ้างเหตุผลเนี่ยนะน้อยคนมากเลยนะบอกนิมนต์ท่านแสดงธรรมเถอะไม่รู้ว่าท่านจะตายเมื่อไหร่บางั้นถ้าท่านตายผมอดฟังเนี่ยนะคำพูดประเภทนี้มีอยู่เจ้าเดียวเนี่ยเท่าที่ฟังดูนะเท<ช>่าที่อ่านในพระไตรปิฎกที่กล้าบอกพระ อ, องค์ก็ไม่แน่ <c oughs> บอกข้าพระองค์ก็ไม่แน่พระองค์ก็ไม่แน่นิมนต์แสดงธรรมเถอะมีคนเนี่ยคนเดียวนะเพราะอะไรเพราะท่านถูกอุปนิสัยสมบัติตักเตือนแล้วและขณะเดียวกันชีวิตของท่านอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นท่านก็ตาย แล้วท่านเนี่ยเป็นผู้มีชาติสุดท้ายถ้าไม่บรรลุก็ไม่ตายอีกเหมือนกันต้องบรรลุก่อนนะก็เลยเตือนพระพุทธเจ้าบอกข้าพระองค์นี้ไม่แน่แล้วนะเหมือนกันนะถามว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์จะแสดงธรรมแก่ท่านนั่นแหละจึงห้ามไว้ถึงสองครั้งได้ยินว่าพระองค์มีพระดํำริอย่างนี้ว่าตั้งแต่เวลาที่พายะนี้เห็นเราสรีระทั้งสิน้นอันปีติถูกต้องไม่ขาระยะกําลังปีติมีความรุนแรง แม้จกฟังธรรมก็ไม่สามารถแทงตลอดได้จึงห้ามเอาไว้ น, นะเพราะว่าโผปีติมีกําลังมากะนะมัวแต่ปีติก็ลืมฟังธรรมไปเลยอย่างี้ตราบเท่าที่มั ช, ชตุเปกขาดํารงอยู่ก่อนก็ได้ว่าให้ตัตระมั ช, ชตาตาทํางานมากๆก่อนนะนะแม้ความกวนกระวายทางร่างกายของท่านก็ยังมีกําลังเพราะท่านเดินทางมาตลอดระยะทาง120ยยี่สโยชนะก็คิดดูนะ สาวัถีอยู่ใกล้ทะเลที่ไหนอ่ะห่างจากทะเลเท่าไหร่แล้วท่านเดินทางจากชายทะเลมาถึงเมืองสาวัถีเนี่ยไกลมากะนะของเรานั่งรถไฟยังเพลียเลยนะเคยนั่งรถไฟจากกรุงตทามาแค่แค่แถวแถวพุทธคยายังเพลียเลยถ้านนั่งท่านั่งรถรถไฟเนี่ยนะจากกรุงตทพมาถึงแถวแถวเมืองสาวัถีเนี่ยจะไกลขนาดไหนน ะ, ะคิดว่าน่วมแน่นอนแนหะแต่นี้ขณะท่านเดินเท้าเปล่านะเนี่ยพันร่างกายก็ถือว่าเพลียพอสมควรเลยแหละ จิตใจก็ปีติครอบงำร่างกายก็อ่อนเพลียอาจารย์บางท่านก็บอกว่าที่พระพุทธเจ้าห้ามอย่างนั้นก็เพื่อให้เกิดความเอื้อเฟื้อในการฟังธรรมแต่พระองค์นี้ถูกขอร้องถึงครั้งที่3ก็เห็นมัชตุเปกขาเป็นเครื่องระงับความกวนกวายและอันตรายแห่งชีวิตปรากฏแก่ท่านก็เลยบอกว่าสรุปทบทวนโดยประการทั้งปวงได้เวลาฟังธรรมแล้วกัน มาดูว่าพระองค์สอนว่ายัางไงในหน้า127ย่อหน้าบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพาหยะเพราะเหตุนั้นแลนะเพราะเหตุนั้นแลท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าข้อปฏิบัตินี้อยู่ที่ตัวศึกษานะอย่าไปอยู่ที่ดูที่ตัวอื่นนะนะท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าศึกษาคืออะไรสิกขาสามท่านพึงมีสิกขาสามไว้อย่างนี้ว่า แดงอัฏฐะเลยนะท่านพึงมีศิกขาสามไว้ อ, อย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเมืม่อฟังจักเป็นประมาณว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นประมาณว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นประมาณว่ารู้แจ้งอันนี้ก็คือทวารหย่อมาเหลือสี่ใช่ไหมเห็นก็คือทวารตาฟังก็คือทวารหูทราบาก็คือจมูกลิ้นและกายรู้แจ้งก็คือทวารใจ ดูก่อรพายะท่านพึงศึกษาอย่างนี้แหลในหนังสือนี่ก็แปลว่าสักว่าใช่ไหมแต่อัตกรถาบอกว่ามัตตะแปลว่าประมาณเพราะฉะนั้นทิเทท่ธรรมตังพวิสติเนี่ยนะแปลว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นก็บอกเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นไงไปขับรถดูนะถ้าเจริญอย่างนี้มากๆเดือดร้อนแนะ่เห็นสักแต่ว่าเห็นก็ไม่ต้องเบรกอะไรสักอย่าง น, นะเดินข้ามถนนก็เห็นสักแต่ว่าเห็นก็เดินข้ามไป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 ในการนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดท่านไม่มีในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ท่านย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ลำดับนั้นแหลจิตของพายะธารุจิริยะกุลบุตรหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในขณะนั้นนั่นเองด้วยพระธรรมเทศนาโดยย่อนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังจบบรรลุเป็นพระหันเลยนะเราฟังจบยังไม่รู้ว่าให้ท่าะไ้ให้ทําอะไรเนี่ย นะฟังก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าพราะองค์พูดอะไรกันแน่เนี่ยนะแต่พระทาหยะนี่บรรลุไปแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าท่านบนรรลุอะไรอีกเหมือนกันแต่รู้ว่านี่ท่านไม่มีอาสวะเหลือแล้วเนี่ยนะลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพาหยะทารุจิริยะกุลบุตรด้วยโอวาทโดยย่อนี้แล้วก็เสด็จีกไปนี่มาดูเนื้อหาก่อนนะคาอธิบายก่อนในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดย่อหน้า ตาสมาแต่บบเพราะเหตุนั้นเนี่ยนะตาสมาติหะเตดังนี้เนี่ยนะบอกว่าตาสมาเพราะเหตุนั้นอะ่ะเหตุไหนล่ะเหตุเพราะท่านเป็นผู้เกิดความขวนขวายอ้อนวอนเราอย่างยิ่งโอ้ยขอร้องเราเหลือเกิ น, เ ห, หนนะเหตุที่1นะเหตุที่2ก็เพราะท่านนี้กล่าวว่าอันตรายของชีวิตรู้ได้ยากและและก็คือเหตุที่3ตอนนี้อินทรีย์ของท่านก็แก่กล้าแล้วแปลว่าแบ่งด้วยเหตุผล3ประการนี่แหละเลยแสดงธรรม เหตุผลแรกอ่อนวอนเหลือเกินเหตุผลที่สองอ้างว่าชีวิตมันไม่แน่รู้ได้ยากเหตุที่สามอินทรีย์แก่กล้าแล้วอนะเอวังเตศคิตพังเนี่ยนะบอกว่าเน้นที่สิคิตพังแปลว่าสิคิตพังแปลว่าพึงทำการศึกษาโดยศิขาแม้ทั้งสามมีอที่ศีลและศิขาเป็นต้นมันตัวข้อปฏิบัติมรคอ่านะ ก็คือสิกขา3าใช่ไหมสิกขาสามก็คือมรรคแมรรคแก็คือสิกขาสามปฏิบัติแล้วบรรลุยังไงมันก็ทิ้งมรรคแไม่ได้อย่างไรก็ทิ้งสิกขาสามไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องศึกษาโดยสิกขาทั้ง3คืออธิศีและสิกขาที่จิตแสิกขาและอธิปัญญาสิกขาปัญหาว่าเออศีนคืออะไรอธิจิตคืออะไรที่ปัญญาคืออะไรถ้ายัางให้เรื่องยาวเลยเไปอ่านมิสุทธิมรรคไปเถอะเหมือนกัน แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอาการที่จะพึงศึกษาเนี่ยให้ศึกษาสิกขาสามที่ไหนล่ะทิฏเถะทิธรมตังพวิสติเมื่อเห็นก็จะเป็นประมาณว่าเห็นนะเพรมมาะมัตตาข้างล่างเนี่ยนะเห็นไหมบรรทัดสุดท้ายมัตตาแปลว่าประมาณแปลว่าประมาณบทว่าทิฏเ ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถะทิธรมตะได้แก่เมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นปกติในการเห็นเนี่ยอะไรเห็น อาศัยจักรครูและรูปเกิดจากครูวิญญาณจักรคูวิญญาณเป็นสิ่งที่เห็นสีจักรคูวิญญาณเกิดขึ้นมีเจตสิกกี่ดวงเจ็ด <7 S 2> ดว ง, ดวงอะไรบ้างภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกค ะ, ะตาชีวิตินทร์สีและมนุิยการนะอธิบายว่าเธอพึงศึกษาว่าศึกษาคืออะไรก็คือสิกขาสามใช่ไหมยังไงนะอย่าทิ้งสิกขาสามเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าถ้าทิ้งสิกขาสามนี่จบหมดเลย พันเห็นจักแต่ว่าเห็นก็นั่งทำตาปริบๆหมดวันเปล่ า, เ, ล า, เ, ลาเนี่ยนะเปลืองน้ำตาไปเยอะแยะไปหมดไม่ได้อะไรเธอพึงศึกษาว่าจาักคูวิญญาณเห็นซึ่งรูปในรูปเท่านั้นเห็นซึ่งสีในรูปประคันเท่านั้นหาเห็นสภาพลักษณะมียนิจจะลักษณะเป็นต้นไม่ฉันใดจักคูวิญญาณเนี่ยนะเห็นแต่สีและก็มีอารมณ์อย่างเดียวด้วยเอการาตารมณนะมีอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้น รู้อย่างอื่นมากก็ไม่ได้จะคูวิญญาณรู้แต่สี น, นะสัมปติชันเวทนาก็รู้แต่สีเป็นต้นเนี่ยนะแม้จักคูทวาริกะวิญญาณที่เหลือจะเป็นเพียงอันเราเห็นแล้วทำยังไงล่ะให้พอจักคูวิญญาณเกิดขึ้นอะไรเกิดต่อสัมปติชันะสันติระนาโวธพภณะชาวนะดวงที่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดและตะทารมมะเกิดขึ้น เขาเรียกว่าวิญญาณที่เป็นไปทางจักขคุทวาเพราะ์ ว, วิญญาณที่เป็นไปในทางจักขคุทวานเนี่ยนะก็ให้เห็นเป็นไปตามที่จักรคูวิญญาณเกิดขึ้นเอ็มเป็นยังไงอา้าวจักรคูวิญญาณเห็นอย่างไรจักรคุทวานวิถีจิตมันก็มีสีเป็นอารมณ์อยู่แล้วมันจะไปเปลี่ยนได้ที่ไหนใช่ไหมจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคอยฟังคําอธิบายของท่านเดี๋ยวจะรู้เองอธิบายว่า การรู้แจ้งซึ่งรูปในรูปประขันด้วยจกักขูวิญญาณชื่อว่าเห็นรูปในรูปที่เห็นมัตตาแปลว่าประมาณประมาณแห่งรูปที่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐมะตะัตตอธิบายว่าจิตเป็นเพียงจกักขูวิญญาณเป็นประมาณเท่านั้นแปลเป็นภาษาไ ท, า ย, ทายว่าให้เอาจากักขูวิญญาณเป็นอาจารย์ให้ถือเอาข้อปฏิบัติคือจกักขูวิญญาณเป็นหลักทาไมละ่ะทาไมทาไม ทำไมจึงยกเอาจักขูวิญญาณเป็นตัวตั้งเป็นเป็นมาตรฐานเพราะจักขูวิญญาณไม่มีความกำหนัดจักขูวิญญาณไม่เกิดร่วมกับราคะนะจักขูวิญญาณเนี่ยไม่กำหนัดจักขูวิญญาณไม่ขัดเคืองจักขูวิญญาณไม่ลุ่มหลงในรูปที่ปรากฏเพราะจักขูวิญญาณเห็นสีนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะอะไรเพราะโลภโกรธหลงไม่ได้เกิดร่วมกับจักขูวิญญาณ เพราะฉะนั้นให้ถือเอามาตรฐานเหมือนจากขู่วิญญาณฉันใดเนี่ยนะเราจักตั้งชาวนาจิตไว้โดยประมาณแห่งจากขู่วิญญาณอย่างนี้ว่าชาวนาจิตของเราเนี่ยจักเป็นประมาณด้วยจกจักเป็นประมาณให้เหมือนจากขู่วิญญาณแต่ปกตินี่ใครทาให้ชาวนาจิตเนี่ยมีเจตสิกเกิดเท่าจากูวิญญาณได้ไหมในโลกที่เป็นจริงทำได้ไหมไม่ได้แต่ทำไมให้เอาจากขู่วิญญาณเป็นประมาณ เพราะจากักขูวิญญาณไม่มีราคะโทสะโมหะทำยังไงก็ได้ให้ชาวนะไม่มีราคะโทสะและโมหะอันนั่นคือข้อปฏิบัติเพราะข้อปฏิบัติไม่ใช่จกักขูวิญญาณมรแป8นี้ไม่ได้เจริญจกักขูวิญญาณใช่ั้ยถ้าถือการถือข้อปฏิบัติด้วยจกักขูวิญญาณนั่นคือศาสนาเดรถีในมหานิเทศนี้อธิบายไว้ชัดเลยที่ที่พระองค์กล่าวถึงจันทาพระพราม คือจันทาพระพรามนี่เขามีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่ท้องเขามีรัศมีที่ท้องเขาก็โฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าใครเห็นท้องจันทาพระพรามจะบริสุทธิ์แต่ต้องเสียค่าจ้างพันหนึ่งค่าดูนี่พันหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็โฆษณาให้มาดูท้องจันทาพระพรามพวกนี้เขาถือว่าการเห็นด้วยจักคูวิญญาณและจะทําให้บริสุทธิ์ถ้าใครถือการปฏิบัติด้วยจักคูวิญญาณคนนั้นก็ศาสนาเดรัจฉี แต่ตรงนี้เนี่ยหมายถาว่าชาวณทำยังไงให้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเท่ากับจกักขูวิญญาณตรงกันข้ามกับราคะคืออะไรสมถะตรงกันข้ามกับโทสะคือศีลตรงกันข้ามกับโมหะคือปัญญาเพราะฉะนั้นจะต้องมีศีลสมาธิและปัญญานี่แหละจึงจะหักห้ามราคะโทสะและโมหะได้ เพราะฉะนั้นตั้งชาวนะให้เว้นจากราคะเว้นจากโทสะและเว้นจากโมหะอีกอย่างหนึ่งรูปที่จักคูวิญญาณเห็นชื่อว่าทิฏฐะจิตสามดวงคือสัมปติชนะสันติรณนะและโวธัพณะที่เกิดเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละชื่อว่าทิฏฐมตะคือเพราะอะไรจักคูสัมปติชนะสันติรณนะโวทัพนะเนี่ยมีสีเป็นอารมณ์เหมือนกันและไม่มีราคะโทสะโมหะเหมือนกันพึงทราบ ในข้อนี้อย่างนี้ว่าจิตสามดวงนี้สัมปติชนะสันติรณะโวธพนะเนี่ยไม่กำหนัดด้วยราคาไม่ขัดเคืองด้วยโทสะไม่ลุ่มหลงงมงายด้วยโมหะฉันใดเมื่อรูปมาปรากฏปรากฏทางจากครูทวารเนี่ยนะเราก็จักให้ชวนะจิตเกิดขึ้นโดยประมาณสัมปติชนะสันติรณะโวทพนะฉันนั้นนั่นแหละเราจะไม่ก้าวล่วงประมาณนั้นเกิดขึ้นโดยความกำหนัดเป็นต้นฉันนั้น สรุปว่าชาวนาจิตต้องไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อเห็นชาวนาจิตต้องไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อได้ยินชาวนาจิตต้องไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อทราบทางจมูกิ้นกายราคะโทสะโมหะจะต้องไม่เกิดเมื่อคิดถึงทุกอารมณ์เหมนนเ่ยเพราะฉะนั้นมุตตะนี่หมายถึงสีออขออภัยมุตตะหมายถึงกลิ่นรสและโภทะพายตนะ ส่วนวิญญาเตวิญญาตามัตตังภวิสติเนี่ยนะชื่อว่าวิญญาตะได้แก่อารมณ์ที่มโนทวาราวชนะจิตแจ้งแล้วก็คือก่อนที่มโนทวานวิถีจะเกิดเนี่ยจะต้องผ่านอะไรมโนทวาราวชนะก่อนใช่ไหมเมื่อรู้แจ้งอารมณ์นั้นก็เป็นอันชื่อว่ามโนทวาราวชนะจิตรู้แจ้งแล้วเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ามีอาวชนะจิตเป็นประมาณสรุปว่าถ้าทวานตานะเอาอะไรเป็นประมาณเอาจักขุ วิญญาณสัมปติชนะสันติรณโวธัพนะทํำยังไงก็ได้ปฏิบัติให้ชาวนานะอย่ามีกิเลสแบบจักรคูวิญญาณสัมปติชนะสันติระนาโวธัพณนะให้ชาวนาเนี่ยเอาเอาจักรคูวิญญาณเป็นอาจารย์เนไเอาเป็นแบบเป็นอย่างเสร็จแล้วทวารอื่นอีกละ่ะทวารหูก็เหมือนกันชาวนะที่เกิดทางทวารหูนะให้เอาเออเอาโสตาวิญญาณสัมปติชนะสันติระนาโวธัพณะเป็นอาจารย์ ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายก็เหมือนกันอันะนชาวณนะให้ถือเอาคานะวิญญาณชีวหาวิญญาณกายวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะนะโวทัพะเป็ น, เ ป, นเป็นอาจารย์เนี่ยนะเป็นประมาณส่วนมโนทวา น, นี่ขึ้นต้นด้วยอาวัชนะก่อนอาวัชนะนี่มีเจตสิกประกอบสิบดวงสิบดวงก็คืออัญญะสอะไรนะสภาวจิตตาสารารณะเจตสิกเจวิตกวิจารและอะไรและอธิโมก มีอยู่สามดวงนะก็บวกเจ็ดเป็นสิบมโนทวาราวัชนะมีเจตสิกสิบดวงเนี่ยนะไม่มีราคาโทสะโมหะเกิดเลยชวนะที่เกิดต่อจากอาวัชนะนั้นอะ่ะจะต้องไม่มีกิเลสเหมือนกันทํำยังไงอะ่ะให้ชวนะไม่เป็นไปกับกิเลสก็ต้องเป็นไปกับศีลเป็นไปกับสมถะและวิปัสนาราคะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเจริญสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อราคะโทสะเกิดขึ้นต้องเจริญสิ่งที่เป็นศัตรูต่อโทสะ จเจริญสิ่งที่เป็นศัตรูต่อโมหะสิ่งที่เป็นศัตรูต่อราคะคืออโลภะสิ่งที่เป็นศัตรูต่อโทสะคืออโทสะสิ่งที่เป็นศัตรูต่อโมหะคืออะโมหะเข้อนี้มีอธิบายว่าอาวัชนะจิตคือมโนทวาราวัชนะไม่กำหนัดไม่ขัดเครืองไม่ลุ่มหลงฉันใด เราจากพักชวนะจิตเป็นประมาณแห่งอาวัชนะจิตเท่านั้นคือไม่ยอมให้เกิดขึ้นด้วยอำนาจความกำหนัดความขัดเคืองและความลุ่มหลงนนไม่ยอมให้ราคะาโทสะโมหะเกิดขึ้นในชาวนะเอาอะไรมาห้ามนาะเนี่ยน ะ, นะเอาอะไรมาห้ามใจใจเอ้ยอย่าชอบเลยนะอย่างนี้หรือเปล่าพอไหมอย่ากโกรธซิอย่ากโกรธซิเขาจะเลวบ้างก็ช่างเขาเธออย่างนี้นะทำไมเธอโง่อย่างนี้เธอฉลาดหน่อยซิอย่างนี้บอกกันรู้เรื่องได้ไหม ถ้าจะยาก น, นะแต่เนี่ยพระพาิยะฟังและเข้าใจเลยเอวันหิเตพาหิยะสิกขิตพังความวาพาหิยะเธอพึงศึกษาโดยคล้อยตามสิกขาทั้งสามด้วยปฏิปทาอย่างนี้พระพาิยะเนี่ยเข้าใจทันทีเลยว่าเจริญมรรคในทวารหกได้อย่างไร นนเมื่อตามองเห็นเจริญมักแปได้ยังไงหูได้ยินเสียงเจริญมักแปได้ยังไงจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรับกระทบโทธพธาพะใจนึกคิดแล้วเจริญเป็นมักแปได้ทุกทวาร น, น่ะนะพระพา ย, ยาฟังและเข้าใจทันทีเลยขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เข้าใจอย่างนี้อย่างไรก็ไม่พ้นปริญญาสามอีกนั่นแหละดังนี้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกอารมณ์อันต่างโดยประเภทอารมณ์6อารมณ์6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะและ ธรรมรมพร้อมทั้งวิญญาณ6คือจกักขูวิญญาณโสตาขานะชิวหากายะและมโนวิญญาณแสดงอันนะหมาย่อเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือ4ีอันะหนี้ย่อมาเหลือ4คือย่อย่ออะไรย่อจมูกลิ้นกายให้เหลือหนึ่งอันนะทะวารตาหนึ่งทวารหูหนึ่งทวารจมูกลิ้นกายนับหนึ่งทวารใจอีกหนึ่งก็เหลือ4ีที่เรียกว่ากโกฏิสาสะแปลว่า4ส่วน มีทิเ ท, ทิทิเทธิธรรมตังเป็นต้นเจเริญได้อย่างนี้เนี่ยน ะ, จะเจริญอย่างย่อตามอัธยาศัยของพระพาหิยะเพราะแสดงวิปัสนาภูมิเหลือแค่สทวา่าส่สี่ส่วนแล้วก็สแสดงยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาในข้อนั้นแก่เธอจะทำปริญญายัางไงปริญญานี่แปลว่ารอบรู้นะปริญญานี่รอบรู้ยาตะแปลว่าสิ่งที่มีอยู่แล้ว ยาตะปริญญาคือรอบรู้ในสิ่งที่รู้อยู่แล้วหรือสิ่งที่มีอยู่นี่แหละตีระเน่ยตีระณะปริญญาก็คือรอบรู้โดยการเข้าไปใคร่ครวนถามว่าเป็นอย่างไรในข้อนี้รูปารม์เป็นอันชื่อว่าทิฏฐะเพราะอัตถาว่าอันจากขูวิญญาณพึงเห็นส่วนจากขูวิญญาณพร้อมด้วยวิญญาณที่เป็นไปทางจากขูทวารชื่อว่าทิฏฐะเพราะอัตถะว่าเห็น นนะคำว่าเห็นเนี่ยรวมทั้งสีและจักคูวิญญาณที่ไปเห็นสีแม้ทั้งสองอย่างนั้นเป็นเพียงธรรมะที่เป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นสีก็เกิดจากปัใจจัยใช่ไหมจักคูวิญญาณก็เป็นสิ่งที่เป็นเกิดจากปัจจัยข้อนี้ใครๆจะทำเองหรือให้ผู้อื่นทำก็หาได้ไม่ใครสร้างสีได้บ้างใครสร้างจักคูวิญญาณได้บ้างสีก็เกิดจากปัจจัยของสีจักคูวิญญาณก็เกิดจากปัจจัย อาศัยจากขู่กลับสีเกิดจากขู่วิญญาณเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยในข้อนี้มีอธิบายดังนี้ต่อไปว่าจากขู่วิญญาณ น, นั้นชื่อว่าไม่เที่ยงมีแล้วก็ไม่มีนะมีแล้วก็กลับไม่มีจากขู่วิญญาณนี้ก่อนหน้านี้มีไหมไม่มีไม่มีแล้วมีขึ้นมีขึ้นแล้วจะเห็นตลอดไปไหมไม่เรียกว่าไม่มีแล้วก็เอ่อมีแล้วก็ไม่มี จักขูวิญญาณเป็นต้นชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะถูกความเกิดและความดับบีบคั้นไปทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงจักขูวิญญาณชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะอัตถาว่าไม่เป็นไปในอำนาจใครมีอำนาจในจักขูวิญญาณได้ไหมไม่ได้ในข้อนั้นจะจัดเป็นโอกาสของกิเลสมีความมีราคะเป็นต้นแห่งบัณฑิตได้จากที่ไหนคือถ้าเห็นว่า จกักรูปจกักรวิญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยใคร่ครวญว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอย่างนี้นะแล้วราคาจะเกิดมาจากไหนคิดดูนะบอกว่าข้อปฏิบัติคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาถ้ารู้ไม่เที่ยงจริงนละอะไรได้ละความขัดเคืองได้ถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์จริงละความกำหนัดได้ถ้ารู้ว่าเป็นอนัตตาจริงละความลุ่มหลงได้นะละความเข่าได้ มันอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคือข้อปฏิบัติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อราคะโทสะและโมหะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโดยความเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาราคะโทสะโมหะจะมีมาจากที่ไหนมันก็ตามองเห็นก็ยาตะปริญญาและตีระณะปริญญาไปเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงปหาณนะปริญญาต่อไปอีก อันนะั้บัตรนี้เพื่อจะทรงแสดงปรารณปริญญาพร้อมมูลเหตุเบื้องสูงแก่บัณฑิตผู้ตั้งอยู่ในยาตาปริญญาและตีรณปริญญาจึงเริ่มคําเป็นต้นว่ายะโตโขเตภาหยะแปลว่าดูก่อนภาหยะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเมือม่อฟังจักเป็นประมาณว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นประมาณว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นประมาณว่ารู้แจ้งอันนี้แปลว่าปรารณาปริญญาแล้วนะ คือทําได้ตามนั้นจริงๆเลยบทว่ายะโตได้แก่ในการใดหรือเพราะเหตุใดบทว่าเตได้แก่ตะวะแก่เธอบทว่าตะโตในการนั้นหรือเพราะเหตุนั้นบทว่าเตนะความว่าด้วยรูปอันเธอเห็นแล้วเป็นต้นหรือด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นอันเนื่องกับรูปที่เธอเห็นแล้วเป็นต้นตรัสคํานี้ไว้ว่าพาหยะในการใดหรือเพราะเหตุใดเพียงรูปที่เธอเห็นแล้วเป็นต้น จะมีแก่เธอผู้ปฏิบัติตามปฏิบัติตามไหนก็ปฏิบัติตามสิกขาสาเป็นวิธีที่เรากล่าวแล้วในรูปที่เห็นแล้วเป็นต้นด้วยการอย่างรู้สภาพที่ไม่วิปริตคือแทงตลอดอริยสัจในสิ่งนั้นได้นะในการนั้นหรือเพราะเหตุนั้นเธอจะไม่มีพร้อมด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นที่เนื่องด้วยรูปที่เธอเห็นแล้วเป็นต้นถ้าเธอทาปริญญาตามที่เราบอกเธอไม่จะไม่มีราคะโทสะและโมหะ เธอจักเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองหรือลุ่มหลงหรือจักไม่เป็นผู้เนื่องกับรูปที่เธอเห็นแล้วเป็นต้นเพราะละราคะเป็นต้นได้แล้วอันถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำนะ่ะเห็นก็เจริญปริญญาสามเนี่ยนะถ้าเห็นตามนั้นได้คล้อยตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แดได้เนี่ยราคะละได้แน่นี่ต่อไปก็ประกาศอริยมรรคว่าในการนั้นท่านย่อมไม่มี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 อัตตาของเราพันธาพิจารณาโดยอนิจจังละความสาคัญว่านั่นของเราพิจ้อขอาพิจารณาว่าเป็นทุกละความสาคัญว่านั่นของเราพิจารณาว่าอนิจจังละความสาคัญว่าเราเป็นนั่นละ เ, ะเห็นความเป็นอนัตตาละความสาคัญว่านั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ย น, น, นะด้วยคําเพียงเท่านี้พระองค์ทรงให้ปหานะปริญญาถึงที่สุดแล้วสแสดงขีนาสวภูมเป็นธาตุหันเรียบร้อยแล้วนะก็ นั่นเรานี่เป็นอะไรตัณหาเราเป็นนั่นมานะนั่นอัตตาของเราเป็นทิฏฐิอนิจจังละมานะทุกขังละตัณหาอนัตตาละทิฏฐิอนิจจังก็คืออนิจจานุปัสสนาทุกขังก็คือทุกขานุปัสสนาอนัตตก็คืออนัตานุปัสสนาเมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานัตานุปัสสนาบริบูรณนิพิธานุปัสสนาก็บริบูรณ์เมื่อนิพิธานุปัสสนาเป็นต้นบริบูรณ์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 ท่านเราก็ไม่อ่านละมาดูในหน้าหนึเอาบรรทัดสุดท้ายเลยดีกว่าเพราะท่านปฏิเสธแล้วว่าคําทั้งหมดนั้นไม่มีในอัตกถาเพราะฉะนั้นคําเหล่านั้นไม่อ่านละมาบอกว่าทำอันเป็นไปในภูมิสามพึงสงเคราะห์ด้วยอาการสี่โดยรูปที่จักคูวิญญาณเห็นแล้วเป็นต้นด้วยคำเป็นต้นว่าทิฏเต ท, ท, ทิธรรมตังภวิสติเมื่อจักคูวิญญาณเห็นรูปก็เป็นประมาณเห็นอย่างนี้ก่อน สรุปว่าภูมิสามเนี่ยสงเคราะห์เหลือเอ่อเหลือสีอ่คำที่ทังสุตังมุตังวิญญาตังเนี่ยนะเหลือสี่คำเมื่อเหลืออย่างนี้เนี่ยนะทำเหล่านั้นท่านแสดงถึงอสุภาพภาวนาทุกขานุปัสนาอนิจจานุปัสนาและอนัตตานุปัสนาโดยมุข ค, คือแนวทางคือการเวน้นจากการยึดถือว่างามเป็นสุขว่าเป็นของเที่ยงและเป็นอัตตาอันเนี้ยเป็นคําแสดงอะไรสามบรรทัปนี้หมายถึงอะไร หมายถึงสติปฐานสี่อสุภะภาวนานั่นแหละคือกายานุปัสนาทุกขานุปัสนาก็คือเวทนานุปัสนาอานิจจานุปัสนาก็คือจิตตานุปัสนาอนาตานุปัสนาก็คือธรรมานุปัสนาเพราะกายานุปัสนาละความยึดถือว่างามทุกขานุปัสนาละการยึดถือว่าสุขอานิจจานุปัสนาละการยึดถือว่าเที่ยงอนาตานุปัสนาละการยึดถือว่าเป็นอัตตา เมื่อว่าโดยย่อท่านกล่าววิปัสสนากับวิสุทธิเบื้องต่ําวิสุทธิเบื้องต่ําคือไรศิและวิสุทธิจิตวิสุทธิวิปัสสนาก็คือทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นด้วยคําว่าตะโตตวังพาหยะนะเตนะนี้ตรัสถึงมักเพราะประสงค์เอาการตัดกิเลสมีราคะเป็นต้นได้อย่างเด็ดขาดบทว่าตะโตตะวังพาหยะนะตัฏฐะนี้หมายถึงผลจิต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 ที่จริงไอ้คำว่าไหลอันนะโดยภูมิเนี่ยอาสะวะเนี่ยมันไหลไปจนถึงภวะกระพรมิมคือเนวะสัญญาณาสัญญาญตนะโดยธรรมเนี่ยมันไหลไปจนถึงโคตรภูยานอันนะแต่ตรงนี้เขาแปลยังไงไม่ทราบภาวะกระพรมิมจนถึงโคตรภูกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยชื่อว่าอาสะวะเพราะเป็นเหมือนเครื่องหมักดองอาสะวะเนี่ยแปล ว, ว่าเครื่องหมักอันนะัหมักไว้นานมากก็หมักไว้นานจนเห็นก็งามเลยเห็นปั๊บ เที่ยงเลยเห็นป๊าก็สุกเลยเห็นป๊าก็อัตตาเลยเนี่ยนะมันหมักขนาดนั้นอนะ่ะวิมุตจจติว่าหลุดพ้นคือสลัดออกด้วยสมุทเฉทวิมุติเป็นเชื่อของอะไรสมุทเฉทอริยมรติปฏิปสัที่วิมุติก็คืออริยผลอธิบายว่าก็ท่านพายะนั้นพอฟังธรรมของพระศาสดาเท่านั้นชำระศีลให้หมดจดอาศัยสมาธิ จ, จิตตามที่ได้แล้วเริ่มวิปัสนาเป็นขีปปาพิญญาบุคคล ปาพิญญาปแปล ว, ว่าตรัสรู้ได้อย่างเร็วพลันเนี่ยนะตรัสรู้ได้อย่างรวดเร็วให้อาสวะทั้งปวงสิ้นไปบรรลุเป็นผ้าอหารพร้อมด้วยปฏิสัมพิธานในขณะนั้นนั่นเองอนะก็ตั้งความปรารถนามาแสนกลับด้นะท่านตัดกิเลส ด, ดุดกระแสน้ำในสงสารทมที่สุดแห่งวัตทุกทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายถูกธรรมดาเป็นไปด้วยปัจเจกขณะยานตักเตือน ก็ปัจเจกขณายานตักเตือนก็เลยทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ถามว่าเธอมีบาทและจีวรบริบูรณ์แล้วหรือยังพระเจ้าค่านี่นะทำไมจึงยังอ่ะเพราะไม่ได้ทำบุญด้วยจีวรเป็นต้นไว้เลยเนี่ยนะก็เลยไม่ได้เอหีบพิขุอุปสำปทาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปแสวงหาบาทและจีวรแล้วก็หลีกไป บางท่านก็จะไป น, นึกไอ้ทำไมพระพุทธเจ้าน่าจะสงเคราะห์กันบ้างอะนะคือพระองค์รู้อยู่แล้วว่าท่านจะปรินิพานแล้วนี่นะได้ยินว่าพาหยะนั้นกระทาสมณธรรมสิ้นสองหมื่นปีในพระศาสนาของพระกัสสปะทศพลคิดว่าธรรมดาภิกษุเมื่อตนได้ปัจจัยแล้วทําทานตามสมควรจึงฉันด้วยตนจึงควรดังนี้แล้วไม่ทําการสงเคราะห์ด้วยบาทหรือจีวรแม้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงมี ท่านจึงไม่มีอุปนิสยัยแห่งเอหิพิคุอุปสัมปทาไม่เคยแจกจีวรใครเลยและตัวเองเนี่ยนะก็ใช้แต่ผ้าบางสกุลเป็นต้นจะไหมไม่รับผ้าไม่รับอะไรมีอยู่ชุดเดียวพอมีชุดเดียวเนี่ยตัวเองก็ไม่มีก็ไม่ยอมแจกใครก็เลยไม่เคยให้ทานจีวรเป็นต้นไม่เคยให้บาทให้จีวรใครเลยเพราะฉะนั้นก็พอมาชาติสุดท้ายก็เลยอดบวชเล ย, อ, ยาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าอาดีตเนี่ยเคยเป็นโจรปล้นผ้าพระประเจกกับพุทธเจ้า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 ลงเสียจากชีวิตครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตในเวลาปัจชาภัทคือหลังอาหารเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยกับพิสุเป็นอันมากได้ทอดพระเนตรเห็นพาหยะทารุจิรยธรรมกาละแลว้วจึงตรัสกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพาหิยะอภัย ดูก่อนพิสูจทั้งหลายท่านทั้งหลายจงช่วยกันจับสรีระของพาหิยะธารุจิริยะยกขึ้นสู่เตียงแล้วจงนําไปเผาเสีย น, นะก็เก็บกระดูกใส่สถูปเอาไว้ดูก่อนพิสูุทั้งหลายพาพหยะทารุจิริยะประพฤติธรรมอันประเสริฐเสมอกับท่านทั้งหลายทำกาละแล้วคือประพฤติธรรมอันประเสริฐก็คือประพฤติอริยมรรคพรหมจรรย์เสมอด้วยพระ้าหันทั้งหลาย น, นะ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 นะแต่ก็ไม่รู้ในว่าท่านเป็นพระ้าหันก็เลยถามว่าคติคือพบต่อไปนะคติคือคติหมีนรกเป็นต้นเนี่ยพาหยะทารุจริยะนั้นอะ่ะเป็นอย่างไรคือไปเกิดที่ไหนพบเบื้องหน้าของเขาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพาหยะทารุจริรยะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งไม่ทําให้เราลําบากเพราะเหตุแห่งการแสดงธรรมดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ภาหิยะทารุจิริยะปรินิพานแล้วก็เป็นท่าหาันดับขันปรินิพานแล้วก็ที่บอกว่าแม่โคขิดเธอให้ถึงสิ้นชีวิตเนี่ยน ะ, ะถูกวัวขวีดตายเนี่ยจะได้พูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสุ ป, ปะผูท่กุฏิสูตรเดี๋ยวข้างหน้าเนีค่อยกล่าวอีกครั้งหนึ่งทําไมวัวจึงขีดตายอันนี้อันนี้เอาไว้ก่อนนะนะ ในหน้า155ย่อหน้าว่าพระศาสดาทรงบาดแล้วสเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วพร้อมด้วยพิสุจํานวนมากเสด็จออกจากพระนครทอดพระเนตรเห็นพาหยะตกอยู่ที่กองอยากเยื่อทรงบัญชาภิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายเธอยือนอยู่ที่ประตูเรือนหลังหนึ่งช่วยกันนําเตียงออกมานําร่างนี้ออกไปจากนครธรำชาปนากิจก็คือเผาแล้วก็ก่อสถูปเอาไว้พิสุทั้งหลายก็ได้ทําอย่างนั้น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 พระองค์ก็ตรัสว่าบรรลุในเวลาที่ฟังธรรมของเราภิกษุก็ทูลถามอีกว่าก็พระองค์แสดงธรรมแก่ท่านในเวลาไหนพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อเรากําลังบินทบาทยืนอยู่ในระหว่างถนนวันนี้เองพิสูจนทั้งหลายก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะที่พระองค์ยืนตรัสในระหว่างถนนนั้นน่ะมีประมาณน้อยท่านทําคุณวิเศษให้เกิดขึ้นด้วยเหตุเพียงเท่านั้นได้อย่างไรฟังแค่นี้เดียวปฏิบัติบรรลุได้ยังไงเหมกัน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 ไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าฟังทำคําสอนพระพุทธเจ้าแม้แต่คําเดียวก็ยังมีประโยชน์เพราะฉะนั้นพระองค์แสดงว่าเธอเป็นผู้ควรแก่บูชาด้วยเหตุเพียงปริญญาผ่านอย่างเดียวก็หาไม่โดยที่แท้เธอเป็นผู้สมควรแก่การบูชาแม้ด้วยภาวะอันเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้เป็นขิปปาพินยาคือตรัสรู้เร็วกว่าเพื่อนนะนะจึงสถาปนาท่านไว้ในเอตัคขะว่าภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุสาวกผู้เป็นขิปพาพิญญ า, ท, า, าท่านพายุท่านภายะทารุจิระเป็นเลิศได้ตำแหน่งเอตัคคะตรัสรู้เร็วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะพูดถึงย่อหน้าล่างๆต่อไปว่าหลังจากที่ทำเจดีเสร็จแล้วเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพื่อนสะพรมจารีของพวกเธอปริณิพานแล้วข้อนั้นเมีอธิบายว่าท่านพา ย, ยะได้ประพฤตธรรมะคือข้อปฏิบัติมีอธิสีอธิจิตอ ธ, อ ธ, อ ธ, อ ธ, อธิปัญญา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 ปัจจปาทีแปลว่าดำเนินไปแล้วบทว่าธรรมมะสะได้แก่โลกุตระธรรมอนุธรรมังได้แก่เจริญปฏิปธรมมีศีละวิสุทธิ์เป็นต้นที่บอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติศีลธรร ม, มเป็นต้นสมควรแก่โลกุตระธรรมอีกอย่างหนึ่งบทว่าธรรมมะสะได้แก่นิพพานธรรมอนุธรรมมสะก็คือปฏิบัติอริยมรรคอริยผลก็คือปฏิบัติอริยมรรคอริยผลสมควรแก่นิพพาน มันปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีสองในในที่หนึ่งคือปฏิบัติศีลเป็นต้นสมควรแก่มรรคผลในยะที่สองปฏิบัติอริยมรรคอริยผลสมควรแก่นิพพานบทว่านะจะมังทำมาที่กระนังความว่าก็เหตุแห่งการแสดงธรรมไม่ทำให้เราลำบากเพราะป ฏ, ารารปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนชื่อว่าไม่ทาให้พระองค์ลำบาก จริงอยู่ท่านฟังธรรมหรือเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแต่ไม่ปฏิบัติตามที่ทรงพร่ำสอนชื่อว่าทำพระศาสดาให้ลำบากเนี่ยนะเพราะพระองค์ได้ตรัสกับพรหมกับพรหมตอนไหนตอนที่พรหมมาราธนาเนี่ยนะตอนที่พรหมมาจโรกาทิปติสามปฏิเป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์ก็ตอบว่ามีอยู่ข้อความตอนหนึ่งว่า เรามีความสำคัญในความลาบากจึงไม่กล่าวธรรมที่เราคล่องแคล่วเนี่ยนะที่ประณนีดในหมู่มนุษย์เนี่ยนะอันนี้ก็ตรัดกับพร้มอ่ะนะแต่เขาก็แปลไม่ค่อยชัดนะนะดูก่อนพรม้มแต่จริงต้องแปลว่าดูก่อนพรม้มเรามีความสำคัญว่าลาบากจึงไม่กล่าวธรรมที่เราเนี่ยคล่องแคล่วเป็นธรรมที่ประเีตในหมู่ชนเพราะกลัวลาบากว่างั้นเถอะ อีกอย่างหนึ่งบทว่าณจะมังธรรมมาที่กระนังความว่าจะเป็นเหตุแห่งธรรมก็นี้ก็หาม่ได้อธิบายไว้ว่าเชื่อว่าไม่ทําเราให้ลําบากเพราะปฏิบัติศาสนธรรมของเรานี้ด้วยดีอันเป็นเหตุนําสรรพสัตว์ออกจากวัตฏทุกเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆก็ไม่ลําบากหรอกเพราะว่าเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกจริงๆส่วนผู้ปฏิบัติชั่วล่ะทําลายศาสนธรรมชื่อว่า ได้การประหารสรีระคือธรรมะของภาษาสดาถ้าปฏิบัติผิดทูศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็ชื่อว่าทำลายประหารสรีระธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ท่านพระพายะนี้ท่านปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัติธรรมที่สุดธรรมที่สุดแล้วเนี่ยนะปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุพระองค์เนี่ยหลังจากรู้นะคือคือสรุปทบทวนเนื้อหาทั้งหมด พระองค์ก็ทราบเนื้อความนี้แล้วก็เลยแป่งอุทานแป่งอุทานในหน้า1 2ึ่ว่าดินน้ําไฟและลมย่อมไม่หลังลงในนิพพานธาตุใดคือในนิพพานเนี่ยไม่มีธาตุดินน้ําลมไฟว่างั้นเถอะเมื่อ น, นิพพานไม่มีดินน้ําลมไฟนิพพานก็ไม่มีสีเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะเป็นต้นนะนะนิพพานธาตุนั้นดาวทั้งหลายย่อมไม่สว่างนิพพานเนี่ยไม่มีดวงดาวสองนะ นิพานนี้ก็ไม่มีดวงอาทิตย์ปรากฏดวงจันทร์ก็ไม่สว่างแต่ก็ไม่มีความมืดอั น, นั้นคือธรรมชาตินิพานนิพานนี่กล่าวพูดแบบปฏิเสธธาตุสี่เลยปฏิเสธดินน้ำลมไฟดาวปฏิเสธดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปฏิเสธความมืดทุกอย่างก็เมื่อใดพราหมณ์ชื่อว่าเป็นมุนีมุนีคือมีโมนิยธรรมเนี่ยตรัสรู้อริยสัจแล้วด้วยตนเองเมื่อนั้นพราหมณ์ย่อมหลุดพ้นจาก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 อ น, นิพพานสูตรมีสี่สูตรปฐมทุติยะตาติยะจตุทานิพพานสูตรมีอยู่สสูตรซึ่งจะกล่าวต่อไปในอนาคตเนี่ยนะวันนี้ไม่ทันแน่ก็มาดูในหน้า158ย่อยด่อหน้าล่างอีกครั้งว่าบทว่าเอตมัตถังวิธิตวาความว่าทรงทราบว่าพระพาหิยะเถระปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุ แล้วว่าคติของพระขีนาสพทั้งหลายผู้ปรินิพานแล้วเช่นนั้นอันคนจํานวนมากรู้ได้ยากโดยอาการทั้งปวงคือไม่มีใครรู้หรอกว่าท่านไปไหนว่างั้นเถอะพระองค์ก็ได้เปล่งอุทานแสดงอนุภาพของการปรินิพานอันไม่ประเดียดสถานอยู่แล้วคือพระพะยะไม่ได้ดํารงอยู่ในดินน้ํำลมไฟพระพายะไม่ได้ไปเกิดที่ดวงดาวที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เลยก็คื อ, คอไม่ได้ไปอย่างที่ที่บางคนเขาว่าพบกันที่ไหน ทางช้างเผือกใช่ไหมทางช้างเผือกก็คือกล่มมู่ดาวไม่ได้ไปเจอกันที่นั่นอะไรหรอกเนี่ยนะเงาแย่เลยนะไปอยู่ที่นั่น น, นะดาวเวงวางขนาดนั้นสรุปว่าไม่มีในปฐวีธาตุอาโปเตโชธาตุไม่หยั่งลงไม่ประดิษฐานอยู่ในนิพพานคือนิพพานไม่มีธาตุสี่ธาตุสี่ก็ไม่มีในนิพพานเพราะเหตุไรเพราะพระนิพพานมีสภาวะเป็นอสังขตธรรม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 ถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีในนิพพานนนะนิพพานก็จะเป็นมืดมิดเหมือนโลกันตนรกสิจริงอยู่เมื่อรูปมีความมืดก็มีนิพพานไม่มีรูปรอกเมื่อ น, นิพพานไม่มีรูปจะไปมืดอะไรมืดสว่างเข้ า, าไว้พูดกับรูปเมื่อไม่มีรูปแล้วไปมีมืดสว่างได้ยังไงบบั้นบทว่ายะถาจะอัตนาเวทิโมนิโมเนนะบรมโนความว่า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 สองคาถาสองคาถาพระพุทธเจ้าแสดงพระนิพพานเห็นปาน น, านี้นะิพพานเนี่ยคือที่ดับวั ต, ตะโดยประการทั้งปวงเป็นที่ไปคือคติแห่งพาหยะผู้เป็นบุตรของเรา น, นะเพราะว่าในหน้า128เนี่ยถ้าเป็นคาถาภาษาบาลีมีอยู่4บรรทัดด้วยกันอ่า น, นะหนึคาถามีสองบรรทัดตรงนี้มี4ี่บรรทัดเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า2องคาถาสคาถานี้ประกาศคุณของพระนิพพานนั้นพระพาหยะก็ดับขันปรินิพพาน เพราะตรัสรู้อริยสัจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพันพาหิยะสูตรก็จบแต่เพียงเท่านี้